เาพระนักเทศทุกรูปครับเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญภาษาไทยกับการเทศจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็สำคัญต่อการเทศนาท่านั้น ภาษาเป็นสื่อสื่อกลางให้ผู้ฟังผู้อ่านเข้าใจว่าผู้พูดผู้เขียนกำลังสื่อเรื่องอะไรถ้าผู้พูดผู้เทศผู้เขียน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาจะได้เปรียบจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วพวกเราก็มีความรู้เนเหมือนกันเรียนมาด้วยกันต่างกันตรงที่ ใครจะสามารถอธิบายเรื่องที่เราเข้าใจให้คนต่างได้ทันพระพุทธเจ้าเป็นยอดของนักสื่อสารพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นพระไกรปิฎกเนี่ยเป็นตัวอยา่าง ของการใช้ภาษาแต่หลังจากยุคพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยภาษาของพระุทธเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยมันกลายเป็นภาษาโบราณที่คนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เกิดความคิด แตกต่างกันไปเรื่องการใช้ภาษาโดยเฉพาะในสายปฏิบัติสายกรรมฐานมีความหวังว่ายิ่งสอนมากยิ่งอธิบายมากคนจะสับสนไม่รู้ว่าประสบการณ์จริงๆเวลาปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นอย่างไร เพราะโมวแต่พูดแต่เทศแต่สอนบางแห่งบางที่ก็ให้พูดน้อยปฏิบัติมากในญี่ปุ่นในจีนเกิดพุทธศาสนานิกายเซนหรือชานเซนเป็นภาษาญี่ปุ่น ตรงกับภาษาบาลีว่าฌานสมาบัตินีกายเซนสอนเรื่องการตัดสรุ้ฉับพลันแล้วก็บอกว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนให้เขาปฏิบัติเองให้เขาไปคิดเองแล้วก็ผูกเป็นปริศนาธรรม เรียกว่าโกอานเราคงค้นกับนิทานเสร็จโกอานหรือปริศนาธรรมมุ่งให้ผู้ฟังคิดเองเช่นเสียงตบมือสองข้างดังอย่างไรเรารู้แต่ถามว่าเสียงของมือข้างเดียว ดังอย่างไรก็ให้ไปนั่งเพ่งพินิษหันหน้าเข้าฝาคิดใครคิดออกก็มาตอบอาจารย์สอบอารมณ์บางทีก็เทียงกันพระใหม่สองรูปเถียงกัน เห็นธงมันปลิวสวยัยหน้าจุดหน้าหน้าวิหารพระใหม่อคงหนึ่งบอกว่าธงปลิวธงมันไหวอีกองหนึ่งบอกไม่ใช่ธงไหวลมพัดลมมันสั่นไหวใครถูกใครผิดระหวาน ลงไหวกับลมมันวันมันไหวเคลื่อนไหวไปถามอาจารย์เซนอาจารย์เซนตอบว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างใจคุณมันวันไหวมันไหวตั้งหากคุณไปยึดมั่นถือมั่นไปคิดว่าไหวมันก็ไหวเท่านี้ลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมคนนั้นเนี่ย เห็นแจ้งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาเนี่ยให้มันสื่อไปถึงสิ่งที่อยากจะสื่อถึงให้ได้ทีนี้ในสายปฏิบัติ เ, เขาห่วงว่าพูดมากมันไปติดภาษา แทนที่จะไปเข้าถึงสัจธรรมมันไปติดอยู่ที่ภาษาไปตีความอาธาิบายขยายความเลยไม่รู้ว่าสอนอะไรยกตัวอย่างเราชี้นิ้วไปที่พระจังให้เด็กดูพระจังแทนที่เด็กจะดูพระจังเด็กมาดูนิ้วเรา ติดอยู่ที่นิ้วไม่ดูพระจันทร์พระจันทร์คือธรรมะที่เราต้องการจะสื่อนิ้วคือภาษาเรื่องนี้มีความสําคัญธรรมะที่เรากําลังถ่ายทอดให้โยมฟังคือพระจันทร์เราจะต้องชี้นิ้วเป็นให้คนมองไปที่พระจันทร์ อยากให้ติดอยู่ที่นิ้วติดอยู่ที่นิ้วยังไงครับประสบการณ์ในการบรรยายเนี่ยใหม่ๆผมก็ไม่ได้ใช้ภาพขึ้นจอยอย่างนี้หผมก็บรรยายเหมือนพระเทศทั้งหลายแต่ไปบรรยายให้พวกครูบาอาจารย์ข้างนอกของฝังเขาบอก ท่านอาจารย์เวลาท่านอาจารย์พูดพูดเป็นภาษาบาลีนะสัมสัมมะพวกเราสะกดยังไม่ถูกเลยมัวแต่นั่งคิดสะกดอยู่กันนะ่เช่นโยนิโส ม, มานัสิการเราตั้งบาลีใช่ไหมนี่เข็มประบดแล้วก็มีคำว่าโยนิโสมมนัสิกาเขียนยังไง บางคนเขียนโยนิโสนมันสการเถียงกันอยู่ไอ้เรื่องคำเนี่ยถ้าเทศไปไหนก็ไม่รู้พูดไปเรื่องอื่นแหละติดอยู่ที่นิ้วยิ่งมาสมัยปัจจุบันถ้าเทศด้วยภาษาสัพธรรมะโดยไม่อธิบาย คนก็จะติดอยู่กับนิ้วไม่รู้ว่าพูดอะไรภาษาบาลีเหล่านี้คืออะไรแล้วยิ่งเราอธิบายไม่ชัดเจนหรือมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ก็ทาให้คนเนี่ยติดอยู่ที่นิ้วพอเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยสมัยก่อนมันมีแผ่นใส <c oughs> เขียนแผ่นใส ใช้จอโอเพนแคร์โปรเจคเตอร์ผมก็ต้องลงทุนทำแผ่นใส่ต่อมามีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม p o w e r อ o i n t ยอย่างนี้ก็สะดวกครับเวลาบรรยายให้พวกท่านผมก็เขียน คำต่าง ๆ, ๆเพื่อไม่ให้ท่านติดอยู่ที่นิ้วให้ตรงไปที่สิ่งที่ผมอยู่มีอยู่ในใจไี่อยากจะสื่อพวกท่านมันก็ลดความเครียดของผู้ฟังเพื่อฟังง่ายๆเข้าใจมันเห็นภาพนอกจากนี้การมี ภาพอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันยังช่วยประหยัดเวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังเพราะอะไรครับภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพัน เ, เอาภาพขึ้นแสดงเนี่ย เช่นเรื่องประเทศ เ, เรื่องปิระมิดของอียิปต์สร้างอย่างไรท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นปิระมิดยังไม่เคยเห็นแล้วมาพูดว่าสร้างอย่างไรอีกยิ่งสับสนแต่ถ้าผมเอาภาพปิระมิดวิธีการสร้างมาฉายให้ดูเนี่ยแทนที่จะพูดครึ่งชงั่วโมง 5้านาทีท่านก็รู้เรื่องภาคหนึ่งภาคมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำผมต้องการสื่ออะไรกับท่านเราเทค่คอแหบคอแห้งเป็นชั่วโมงโยมอาจจะสับสนไม่เข้าใจสู้คนที่พูดเป็นใช้ภาษาเป็น พูดให้คนเห็นภาพพจน์คือเอาคำพูดเนี่ยสื่อให้เห็นภาพไม่ต้องมีภาพกระดับภาพพจน์เราอาจจะใช้ในลักษณะภาพลักษณ์ของคนเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ภาพพจน์ละเราใช้ภาพ ล, ลักษณะที่คนคิดถึงเราเป็นภาพว่าเราเป็นคนอย่างไร อันนี้ครื่องภาพลักษณ์ภาพพจน์เขาไม่ใช้ในความหมายภาพลักษณ์เลยเขาใช้ในความหมายว่าเอาคําพูด พ, พจนะหรือคําพูดเนี่ยพูดให้คนเห็นภาพถ้าพูดให้คนเห็นภาพได้เนี่ยเลื่อนยากก็เป็นเรื่อน ง, ง่าย เรื่องที่เป็นนามธรรมาก็เป็นรูปธรรมธรรมะเป็นนามธรรมาในพระไตรปิฎกอภพิธรรมไปิฎกอภพิธรร ม, รรมล้วนๆเลยเตเจตสิก ร, รูปนิพพานเป็นนามธรรมามองไม่เห็นภาพหรอก จตเจตสิกรูปนิผ่านถ้าท่านพูดด้วยภาษาวิชาการในอภิธรรมชาวบ้านต่างมไม่ทันอภิธรรมจึงอยู่ในพระสุตตันตปิฎกในพระสูตรอ่านพระสูตรเนี่ยพระสุตรตันตปิฎก ก็พูดเรื่องอภิธรรมแต่พูดให้คนเห็นภาพพระเจ้าสอนให้คนเข้าใจง่ายเราเรียกว่าสอนด้วยบุคคลาทิฐานพูดไม่เห็นภาพเลยเป็นธรรมะล้วนเรียกว่าธรรมมาทิฏฐาน พระนักเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องพูดเป็นบุคลาธิฐานเราก็เรียนมาแล้วสอนแบบบุคลาธิฐานแบบธรรมธิฐานตอนนี้เอามาใช้จริงใช้อย่างไรถึงคราวบอกว่าเทศให้เป็นบุคลาธิฐานคือเทศอย่างไร ใครไม่เคยอ่านอภิธรรมบปรตดกก็จะไม่เห็นภาพที่ผมพูดแต่ใครที่เรียนอภิธรรมจะเข้าใจที่ผมพูดว่าพระสูตรอภิธรรมมันต่างกันอย่างไรที่ผมพูดวันนี้เพื่อท้าทายท่านไปอ่านอภิธรรมไม่ใช่อ่านคัมภีรไออภิธรรมวัฏสงท์ท่านอ่านอภิธรรมเปรตดก12เล่มเอาเล่มไหนก็ได้มาอ่าน ที่เขาแปลนะอ่านพระสุตรตันติปิฎกพระสูตรพระสูตรไหนก็ได้มาอ่านแล้วดูว่ามันต่างกันยังไงแล้วท่านจะเกิดความภูมิใจว่าเราได้หยิบเอาพระไตรปิฎกเอามาอ่านมาดูเราเข้าหาข้อมูลต้นฉบับส่วนมากที่พระเราเทศกันเนี่ยเทศจาก พุทธศาสนสุภาษิตนักคำตรีนักคำโทนนักคำเอกไม่เคยไปหาเลยว่ามันอยู่ในพระใจวีดกเล่มไหนจำเขามาพูดเสียมากกว่าแต่ถ้าเราไปอ่านต้นฉบับเราจะเกิดความภาคภูมิใจเรามั่นใจ ผมจะเทศแต่ละครั้งผมก็อ่านพระใจปิดกทท้งนั้นเล่มไหนตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้หาในพระใจปิดกง่ายมากคอมพิวเตอร์มันช่วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กดเข้าไปเอาพระสูตรไหนมันขึ้นมาหมดอาพิธทาเป็นยังไงทีนี้ พูดเป็นบุคลาธิฐานพูดอย่างไรบุคลาธิฐานมีตัวอย่างอ้างอิงเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมีนิทานมีอุปมาอุปไมย เพราะบางเรื่องมันสื่อให้เข้าใจไม่ได้เราจะต้องมีอุปมาเราจะต้องมีนิทานเราจะต้องมีเรื่องเล่าเอาข่าวหนังสือพิมพ์บ้างข่าววิทยุบ้างเหตุการณ์ปัจจุบันในมิลินท์าปัญหาหนังสือนิลินทปัญหาแต่งประมาณ400ปีหลังจากรจาพระเจ้าปรินิพาน พยามิลินถามพระพระนาเคเสกว่าเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงพระนิพพานเยทําไมต้องพูดเชิงปฏิเสธนิพพานคืออะไรไม่บอกว่านิพพานคืออะไรแต่บอกว่านิพพานเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่นิพพานดินก็ไม่ใช่นะ้ํา ก็ไม่ใช่ใ น, นิพพานล้มก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่พระจันทร์ก็ไม่ใช่พระอาทิตย์ก็ไม่ใช่ไอ้นู่นนี่ไม่ใช่หมดเลยทำไมไม่บอกตรงตรงว่านิพพานหน้าตาเป็นอย่างไรการบอกตรงๆงก็มีสำหรับผู้บรรลุนิพพานด้วยกันนิพพานังปรมาณสุนย่างนิพพานว่างอย่างยิ่ง นิพพานนังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทีนี้เราไม่ได้เคยบรรลุนิพพานก็อย่าถามว่าสุขนิพพานนี้สุขอย่างไรสุขแบบฉันข้าวหต๊จีนหรอไม่ใช่สุขแบบฟังเพลงหรชาวบ้านจะถามไม่ใช่สุขแบบได้เลื่อนขั้นได้เป็นพระครูเจ้าคุณหรอไม่ใช่ แล้วมันเป็นยังไงบางอย่างมันพูดไม่ได้เช่นอร่อยอท่านฉันข้าวอร่อยเนี่ยอธิบายให้คนที่ไม่ได้ฉันด้วยตอนนั้นเนี่ยมันไม่ถูกมันบอกไม่ได้ต้องฉันเองปัจจตังเวที่ตัพโพวินยูหิ ธรรมะที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเข้าฌานสมาบัติเป็นยังไงสงบนิ่งเป็นยังไงต้องเข้าอีงสัญญาวีทยิตนิโรธดับสัญญามันดับยังไงเข้านิโรธสมาบัตินิพานเป็นอย่างไรนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไร แล้วมันต้องรอให้คนไปเข้าบรรลุเข้าถึงเนี่ยแล้วเมื่อไรจะสื่อกันรู้เรื่องพระพุทธเจ้าตึงเจนต้องใช้ภาษาอุปมาอุปไมยติต่ต้องใช้ภาษาปฏิเสธว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่เพราะพูดตรงๆงแล้วคนไม่รู้เรื่อง ทำมากบางอย่างท่านพูดตรงๆชาวบ้านไม่รู้เรื่องเช่นเมตตากับกับกรุณาตา่างกันยังไงเมตตาแล้วความรักกรุณาแล้วความสงสารแล้วอย่างไรเรียกว่ารักอย่างไรเรียกว่าความสงสารเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องขณักขเสก พระหน้าคเณศตอบพระยาเมรินว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะตอนอธิบายไม่ได้แต่ต้องใช้อุปมาเปรียบเทียบเช่นอย่างไรพระหน้าคเณศยกตัวอย่างเป็นอุปมาสมมติ มีเต่ากับปลาอยู่ในทะเลด้วยกันเต่าทะเลกับปลาทะเลเป็นเพื่อนกันคุยกันอยู่ประจำแล้ววันหนึ่งเต่าหายหน้าไปปลาไม่เห็นเต่าทั้งเจ็ดวันเต่ากลับมาปลาถามว่าไปไหนมาเต่าบอกว่าขึ้นไปวางไข่บนบก เล็มชายหาดปลาก็ถามว่าแล้วบกหน้าตามันเป็นอย่างไรบกมันมีต้นไม้มีภูเขาปลาก็บอกว่ามันเหมือนที่อยู่ในทะเลไหมไม่เหมือนหรอกมันมีอากาศมันไม่มีน้ามันแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ําอ่นนะขนาดอยู่ได้ แล้วอากาศหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่มันมีนกบินในอากาศได้นกมันเป็นยังไงมันก็คล้ายๆกับปลากระเบนนี่แหละให้ตาว่าปลาก็พยายามคิดถึงนกแต่มันคิดไม่ออกก็ เ, เลยบอกว่านกเหมือนปลากระเบนไหมไม่ใช่ภูเขาเหมือนกับอันนี้ไหมไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ นั่นแหละบกไอ้ที่ไม่ใช่ที่เห็นเนี่ยปลาก็เลยสรุปว่าไอ้เต่าโมูบกไม่มีหรอกเพราะมันไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ภาษาบางอย่างต้องพูดเชิงปฏิเสธโดยเฉพาะประมาติโรกุตรธรรมแต่บางอย่างพูด โดยเปลี่ยนเทียบนกก็คล้ายๆปลากระเบนต้นไม้ก็เหมือนกับเนี่ยปรกการังอะไรแต่มันไม่ใช่เราอย่าไปติดไอ้ที่ปรกการังตรงนี้ว่ามันเป็นต้นไม้แค่แค่นั้นทำไมนิทานชาดกที่เรามาอ้างมาอะไรต่าง เราก็อย่าไปติดอยู่ตรงแค่ว่าทำไมสิงโตพูดได้ทำไมแมวมันพูดได้ไอ้นี่มันเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบอย่าไปติดอยู่ไอ้นี่ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไ ม, ไมเราเอาเนื้อหาสาระในเรื่องของ ตัวอย่างอย่างเช่นเมตตากรุณาความรักความสงสารต่างกันอย่างไรความรักคือปรารถนาให้คนมีสุขสงสารปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์พูดแค่นี้มันก็ยังไม่เห็นภาพเราก็ยกตัวอย่าง เห็นเด็กหน้าตาหน้ารักหน้าเอ็นดูวิ่งเล่นอยู่ในสนามยากเราเกิดเอ็นดูเมตตาเพราะเขามีความสุขนี่คือความรักถ้าเด็กล้มลงปากแตกเลือด ก, กลบปากร้องให้เจ้าเราเราเร า, เราไม่ใช่เมตตากรณีนี้เราต้องกะรู้นะคือสงสารไปช่วยเหลือเขาพูด ให้เห็นภาพ น, นี่คือบุคลาธิฐานฉะนั้นปัญหาของพระนักเทศก็มีสองเรื่องครับหนึ่งเราไม่ชัดเจนในเรื่องที่เราจะพูดคือธรรมะไม่ชัดได้แต่ท่องไปเมตตามีความปรารถนาให้คนเป็นสุข กรุณาปราถนาให้เขาพ้นทุกพูดไปตามเป็นนกแก้วนกขนทองเมื่อพูดไปตามนกแก้วนกขนทองอย่างนั้นเนี่ยคนฟังไม่เข้าใจเราจะยกตัวอย่างเราก็ไม่ชัดเพราะมันไม่รู้ว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ครึ่งต่อครึ่งของพระนักเทศเป็นอย่างนี้ดีวิธีไปลอกคัมภีร์มา ภาษามันสื่อไม่ถึงทำไมหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านไม่ได้เรียนมากแต่สอนกรรมฐานยกตัวอย่างง่ายๆเพราะท่านชัดว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดหนึ่งท่านจะต้องเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องที่ท่านกำลังจะพูดอันที่สองจะพูดอย่างไรเนี่ยไหเราจะต้อง เป็นนายของภาษายกตัวอย่างหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงท่านไม่ได้เป็นมหาป ร, รีญญนมีคนถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าเป็นโลกบวิทูผู้รู้ผู้รู้แจ้งโลกโลกหลวงพ่อชาก็ตอบพระรังว่าผู้ถามว่าคำว่าโลก ในที่นี้หมายถึงสังขารและโลกโลกคือสังขารที่พรุทธเจ้าให้ความสาคัญไม่ได้พูดเรื่องโอกาสโลกเท่าไหร่หรอกพูดถึงสังขารและสังขารและโลกคือชีวิตพระพุทธเจ้ารู้ชีวิตของพระองค์อย่างดีหนึ่งชีวิตแตสรู้เนี่ยมองด้านในเห็นละเอียดบดเพราะฉะนั้นพระองค์ยังสา ม, มารถ สื่อสารให้คนเข้าใจได้เอ้าแล้วทําไมเรียกว่าโลกับวิถีหลวงพ่อชาพูดว่าในเมื่อรู้พระพุทธเจ้ารู้ชีวิตของพระองค์หนึ่งชีวิตอย่างดีที่สุดก็เท่ากับพระองค์รู้ชีวิตของคนอื่นทั้งหมดทุกมนุษย์เปรียบเหมือนมองไปที่ต้นไม้ในนวัดหนองบาบพงใบโพลหนึ่งใบเรารู้มันอย่างดีที่สุดหนึ่งใบ ก็เท่ากับเรารู้ใบไม้ทั้งต้นใช่ไหมรู้ใบไม้ทั้งต้นหนึ่งทั้งหนึ่งอย่างดีทั้งต้นเท่ากับรู้ทั้งป่าใช่ไหมนี่คือบุคลาธิฐานเปรียบเทียบแต่ใครที่จะพูดอย่างนี้ได้ต้องเข้าใจเนื้อหาก่อน จากนั้นเอาเนื้อหาเนี่ยมาเรียบเรียงด้วยคำพูดสื่อให้คนเข้าใจปัญหาที่สองปัญหาแรกคือเราไม่เข้าใจเรื่องที่เรากำลังจะพูดซึ่งเป็นห่วงนักเทศทั้งหลายที่จำที่ปากเข้ามาหรือท่องกันมาไม่ซึง้งอันที่สอง เรื่องมันลึกซึ้งแต่ภาษาที่ใช้โบราณโบราณบ้างยากเกินไปเกินกว่าระดับของผู้ฟังบ้างฉะนั้นในเรื่องที่สองเนี่ยท่านจะต้องสรรหาภาษาคำพูดมาสื่อให้มันตรงภาษ า, าตรงตรงไม่มีก็ต้องมีตัวอย่างมีประมาทประมามีเทคนิคกลวิธีเยอะแยะหมด ภาษาเนี่ยนะมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นภาษาพูดภาษาใบาเรายังมีเลยภาษาใบใช่ไหมที่เขาทำภาษาพูดภาษาเขียนภาษาใบเพราะฉะนั้นอาจารย์เซนบางคนเนี่ยไม่ใช้ภาษาพูดเลยยกนิ้วอย่างเดียวเจอหน้าลุงสิ์กับ ลูกศิษย์ก็ต้องนั่งนิ่งดูอาจารย์สอนอะไะมีครั้งหนึ่งถามว่ามีคนถามว่าสตคิคืออะไรสมาธิคืออะไรแค่นี้ภาษาใหม่เนนน้อยไม่เข้าใจก็เลยเอาไปล้อเลียนเจออาจารย์ก็ อาจารย์เล็กัดนิ้วนิ้วเน้เน้นบรรลุธรรมตอนโดนกัด น, นิ้วถามว่าภาษาใบที่ต้องการสื่อคืออะไรท่านเป็นนักปฏิบัติท่านกำลังสอนว่าที่นี่เดี๋ยวนี้คือสติอย่าไปคิดฟุ้งซ่านไปรูนไปนี่อยู่กับปัจจุบันสติ สติคืออะไรสมาธิคืออะไรคิดเรื่องเดียวอย่าไปคิดหลายเรื่องอย่าฟุ้งซ่านเยนไหมครับภาษาใบิกก็มีภาษาภาพก็มีเราจะใช้ภาษาเหล่านี้เป็นสื่อในการเทศได้อย่างไรนี่เรียกว่าภาษากับการเทศนะครับที่ผมพูดมาเนี่ย ยังไม่ถึงภาษาไทยกับการเทศนะเพราะเรามีปัญหารธรรมะเป็นนามธรรมท่านเองก็ไม่เข้าใจธรรมะว่ามันเรื่องนี้เมตตาต่างจากากรุณาไงพูดไปมันก็มั่วนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเข้าใจแต่ว่ามันไม่รู้จะใช้ภาษาบรรยายไงเหมือนปลากระตั้งกรณีอย่างนี้แหละที่ท่านจะต้องยกตัวอย่างวัวมาวมาัวไปหรือใช้ภาษา ที่เปรียบเทียบฉะนั้นตัวอย่างของครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านเขเปรียบเทียบไว้เนี่ยท่านต้องศึกษานิทานก็เป็นตัวเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างนิทานชาดกถ้าท่านอ่านนิทานชาดกเนะี่ยเอามาเทศประกอบให้ตรงกับธรรมะของท่านปีหนึ่งก็เทศไปหมดชาดกมีทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่อง อ่านวาละเรื่องละเรื่องนะว่าคืออะไรและเอาไปเทศแต่และเรื่องเนี่ยมันจะตรงกับธรรมะยกตัวอย่างว่าตรงกับธรรมะอย่างไรลิงอยู่ที่ชายฝั่งพญาลิงเห็นเกาะกลางแม่นนะ้ะ มีผลไม้ต้นไ ม, ผไม้ผลไม้อุดมสมบูรณ์อยากจะไปกินตรงนั้นแต่มันอยู่ไกลฝั่งลิงมันก็น่ำๆมองดูว่าจะไปยังไงไหวน้ำมันก็ไม่ได้ลิงแต่มันสังเกตเห็นตอนเช้าน้ำลดตอไม่ใช่ก้อนหินมันผุดตรงกลางระหว่างเกอะ กับตะลิง่งมันมีก้อนหินโผล่มาน้ํามันลดลิงก็คิดว่าเอองั้นเราสปริงตัวเองเนี่ยโดดไปเหยียบก้อนหินแล้วก็สปริงต่อไปที่กอะก็จะได้กินผลไม้แต่จะกลับได้อย่างไรตอนเย็นกลางวันน้ํามันจะขึ้นท่วมก้อนหินท่วมก้อนหินกลับไม่ได้แต่ตกเย็นน้ํามันลดอีก มันมีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมันลดก้อนหินโผล่ไปเอกลิงมันก็โดดมาเหยียบก้อนหินแล้วก็กลับมาที่ชายฝั่งมานอนอยู่กับครอบครัวลิงการวนไปหา ก, กินกบนเกาะมันทำอยู่ได้ตัวเดียวเพราะว่ามันฉนลาดมันข่้นคิดลิงทำอยู่อย่างนี้ประจำใกล้ๆบริเวณนั้นก็มีจระเข้สองตัวผัวเมีย ไอ้ตัวเมียมันเกิดแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงก็เลยไปบอกตัวผัวให้จับลิงมากินเอาหัวใจมันผัวบอกว่าลิงมันไวอย่างกระลิงจับไม่ทันเอาแล้วทำไมมันโดดไปโดดมาน่ะเมียก็ว่าโอ้ได้การล้ว วันหนึ่งขณะที่ลิงไปที่เกาะกลางแม่น้ำํำ ก, กินผลไม้เสร็จจะโดดกลับมาที่ชายตลิง่งชายฝั่งก้อหินมันโผ่งน้ามันลดจระเข้ก็ไปนอนทักก้อนหินให้ลิงโดดมาเหยียบหลังมันแล้วลิงแล้วจระเข้ก็ใช้จระเข้ฟาดหางฟาดลิงตกน้ําข้าบมาไปมันวางแขนอย่างนี้ ลิงมันเจ้าปัญญามันสังเกติวันนี้ทำไมก้อนหินมันสูงกว่าปกติลิงก็ยังไม่โดดแล้วก็รีรออยู่จระเข้ก็รุ้นหนึ่งมันจะโดดไหมลิงก็หยุดแล้วก็บอกว่าก้อนหินจา๋าวันนี้สบายดีหรือจระเข้ก็เงียบ ลิงก็ทักเอก้อนหินจา่าวันนี้สบายดีหรือเจริเข้ก็คิดนกสายทุกวันมันคงคุยกันนะกับก้อนหินนะีวันนี้ถ้าเราไม่ตอบมันไม่โดดเราอดจับลิงไนดะ้เขาลิงพูดทั้งที่สาก้อนหิน จ, าจ่าเจระญเข้ก็จ่าตอบลิงก็ถามว่าตัวอะไรมาพูดก้อนหินที่ไหนพูดได้ จร ะ, ะเข้บอกพูดซื่อๆก็จร ะ, ะเข้เนี่ยแหละอ้าวแล้วมาอยู่ทําไมเมียแพ้ท้องจะกินหัวใจลิงจะมาจาับท่านนี่แหละลิงก็คิดในใจจร ะ, ะเข้มันคงไม่ยอมไปครัมันต้องรอยนี่ต้องใช้อุบายอยากแบบนั้นเลยบอกมันไปตรงๆจร ะ, ะเข้ถ้าอยากกินหัวใจลิงนะ อ้าปากกว้างาเราจะโดเโดเข้าปากเลยโดดเข้าเข้าปากอ้าปากกว้างนี่จระเข้ก็อ้าป า, า, นน า, ากกว้างลิงก็สปริงตัวไปหยิบจมูกจระเข้แล้วก็สปริงออกไปที่ชายฝั่งเรื่องมันจบแค่นี้นท่านอธิบายนิดหนึ่งว่าการที่ อ, อ้ออ้าปากกว้าง น, นี่ตามันเลยมองไม่เห็นลิงตอนโดดมาลิงก็เหยียบ ในอันธกถาบอกว่าเวลาอ้าปากจระเข้จะหลับตาเลยมองไม่เห็นแต่จริงมันไม่ต้องหลับตามันอ้ามันก็มองไม่เห็นมันมองไปข้างทันเพราะผมเคยดูภาพจระเข้อ้าปากไม่ยลืมตายอยู่เนี่ยอย่าไปเถียงเรื่องนี้อย่าไปติดที่ภาษาว่าอ้าปากแล้วจระเข้อ้าปากแล้วมันหลับตาหรือลืมตาเอาอ้าปากแล้วมองไม่เห็นกันละ ซื้ออะไรเรื่องนี้เจ้าละลิงโดดเหยียบเจราะเข้ไปที่ฝั่งได้เพราะหนึ่งลิงมีสัจจพูดจริงทำจริงลิงบอกว่าจะโดดก็โดดจริงๆข้อสองลิงมีธรรมะคือฝึกฝน โดดอยู่ประจำมันมีทักษะในการโดดแม่ด้วยว่าจะเหยียบจมูกจระเข้มันเหยียบตรงจริงๆถ้ามันไม่ฝึกบ่อยๆมันโดดเข้าปากจระเข้แล้วเพราะฉะนั้นลิงมีธรรมะฝึกฝนฝึกตนลิงมีขันติความอดทนทนรอได้ รอให้จระเข้อ้าปากแล้วจังหวะนั้นพอดีเลยเหยียบจมูกจระเข้อดท น, น, นต่อความกลัวด้วยแล้วลิงมีอะไรอีกถึงรอดพ้นจากไผ่ลิงมีจาคัสลัยอมเสียงเพราะว่าถ้ารักตัวกลัวตายมันก็ไม่กล้าโดดกลัวจะเข้าปากจระเข้แต่จาคัเป็นตายไงก็เอาเซียงกันหน่อย ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียเรียกว่าใจถึงเพราะเหตุ น, นี้แหละสัจจธรรมขันติจาคภเนี่ยลิงจึงพ้นจากภัยที่มาคุก ข, ขับเรื่องของชาดกเป็นนิ้วสัวจจธรรมขันติจารคคือพระจัก นิ้วคือภาษาท่านจะเอาเป็นนิทานเป็นอะไรก็ได้ภาษาใบก็ได้อะไรก็ได้ยกนิ้วก็ได้นิ้วคือภาษาธรรมะคือพระจักหลักมีอยู่ว่าทีนี้ผมจะไปอีกขั้นหนึ่งท่านอย่าไปใช้ภาษาเป็นคำพูดอย่างเดียว ท่านจะต้องใช้สื่ออื่นๆซึ่งภาษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งเราพูดเนี่ยมันจะมีภาษาสื่อให้คนเข้าใจใช่ไม้มมันเหมือนกับไฟฟ้ามันช็อตเราเนี่ยมันมีลวดวิง่งลวดอยู่เปรยหล่นมาจากไฟฟ้าแรงสูงใครไปจับปลายลวดที่หล่นลงมาเนี่ยที่มันห้ อ, หอยลงมาไฟฟ้าช็อตตาย เพราะเส้นลวดเนี่ยมันเป็นสื่อนำเอาไฟฟ้าลงมาจากเสาไฟฟ้าเขาเรียกสื่อความคิดของเรามันจะต้องมีตัวนำเหมือนกับ น, นำกระแสไฟฟ้าไปถึงผู้ฟังผมพูดท่านฟังแล้วท่านฟังผมรู้เรื่องเพราะมีภาษาเป็นสื่อเอาเนะ้อเข้าใจคำว่าสื่อแล้วนะ แต่อย่าไปคิดว่าสื่อนั้นจะต้องเป็นภาษาที่เป็นคำพูดอย่างเดียวภาพดึกภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพัคำฉะนั้นเวลาที่ท่านไปพูดไปเทศที่ใดก็ตามท่านจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์อื่นๆช่วยช่วยภาษาของท่านนี่ประเด็นที่สองลนะนะ ผมค่อยๆพูดมาเรื่อยๆใช้สื่ออุปกรณ์อื่นๆช่วยท่าน <c oughs> เช่นอย่างไรครับไปเทศงานศพท่านอย่าละผหูหลับตาเทศอย่างเดียวไปถึงก่อนดูว่ามันมีอะไรอยู่แถวนั้นอย่างน้อยที่สุดมันมีโรงศพผู้ตายงานหลวงพ่ออดีตเจ้า ว, วานอนอยู่ในโรง เราก็ปารบเลยวันนี้เมรเทศงานศพหลวงพ่อปกติยั ง, ยงมียังมีชีวิตอยู่ท่านก็เทศเจียวเจ้ยวสอนโยมวันนี้ท่านไม่เทศท่านนอนอยู่ในโรงให้อัตมามาเทศเองอัตมาก็ตั้งใจว่าจะเทศอยู่นอกโรงนี่แหละมางานนี้โยมดูเสียบ้างกว่าหลวงพ่อท่านก็สอนโดยไม่ต้องเทศเสียงดังการที่ท่านนอนนิ่งๆอยู่ในโรงเนี่ย ท่านเทศว่าอย่างไรท่านเทศว่าร่างที่นอนในโลงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ไซสในโลงนั้นไม่ช้าพลันฉันก็เป็นเช่นท่านเอ่ยมางานนี้ต้องรู้จักเจริญมรณสติ นึกถึงว่าชีวิตไม่เที่ยงหลวงพ่อท่านสอนธรรมะโดยไม่ต้องพูดเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วท่านข้างหลังพระเทศใช้ให้เป็นประโยชน์ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำโยกก็แทนจะมานั่งคุยกันมองหลวงพ่ออะไรถึงในโรงเทียน สัมทำจุดให้พระขึ้นเทศเข้าไปตั้งหน้าธรรมกาโยมเมื่อมีชีวิตอยู่ก็อย่าประมาทนะเราประมาทบัวเมากินเที่ยวเล่นอยู่ไปวันวันมันก็ไปถึงความดับคือความตายด้วยกันทุกคนชื่อว่าประมาทแต่ไหนๆจะดับจะตายแล้วเนี่ยฝากอะไรไว้ในโลกนี้บ้าง ให้คนล้ำลึกนึกถึงเทียนที่จุดอยู่เบื้องหน้าอาตามาภาพเรียกว่าเทียนสองถังวันนี้ไม่มีนะแล้วอยู่ไหนก็ปุ่มอ๋อกดปุ่มเนาะมีไหมมีนะโอ้โออยืนโน่นโน่นอ่ะถ้าสมมตินั่งอยู่ทาทำมากหน่อยเทียนสองถัง เมื่อจุดแล้วทำให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมเทียนเล่มนี้ให้ประโยชน์ดับไปอย่างมีคุณค่าแต่เทียนบางเล่มจุดเผาบ้านเผาเมืองผมอย่าไปกระทบใครนะแล้วพอ น, นึกถึงเผาบ้านเผาเมืองนี่มันเป็นธาตุใช่ไหยเออเห็นไหมเนี่ยเราพูดว่าจุดแล้ว จุดเทียนเล่นไฟดับไปอย่างไรคุณค่ญาญาติโยมจะเป็นเทียนประเภทไหนจะเป็นเทียนส่องธรรมให้คนได้ชื่นชมเพราะดับไปอย่างมีคุณค่าหรือเป็นเทียนเผาบ้านเผามือให้คนตามด่าภายหลังเปลวเทียนละหลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอับไผ่ ชีวิตมัดลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนเห็น ไ, ไหมท่านเอาแค่สองอย่างนะนี่คือสเสน่ห์ในการ ก, การนำเสนอในการไปพูดที่ใดก็ตามถ้าท่านไม่อ้านยิงถึงสิ่งที่อยู่ตรงนั้น ขนาดนั้นเนี่ยเท่ากับท่านลักทิ้งสื่อที่มีคุณค่าในการเทศนาสั่งสอนเมื่อเราได้รับนิบนต์ไปในงาน่งเทศงานศพท่านจะต้องศึกษาประวัติของผู้ตายเอาแง่มุมใดก็ได้มาเชื่อมกับธรรมะเหมือนเรื่องลิงเนี่ย แล้วเชื่อมกับบาลีนิเขปปบดอย่างผมพูดถึงอดีตเจ้าวาดที่นอนในโลงนี่คือตัวอย่างอย่างที่มีชีวิตอยู่ได้ทําความดีเหมือนกับเทียนสองธรรมในประวัตินี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดได้สร้าง ส, สาลาการปรเรียนได้จัดสอนนักธรรมอะไรเราก็พูดถึงนี่คือความดีของท่าน กลายเป็นว่าธรรมะเนี่ยมันเดินได้มันเดินได้ในชีวิตของผู้ยังมีชีวิตยอยู่เพราะเราได้สึกษารประวัติของท่านไว้ไม่ใช่ไปถึงงานยังไม่รู้คนตายชื่ออะไรเลยและเราจะเอาชีวิตของคนนั้นมาเป็นอุปกรณ์การสอนธรร ม, มะได้อย่างไรในงานวันเกิดญาติโยมกระต่าง เราก็ศึกษารประวัติของท่านบุญงามความดีของท่านเอามาเชื่อม ก, กับธรรมะและก็เล่าประวัติท่านไปด้วยเราเท่ากับกระสุนนัดเดียวได้ลูกสองตัวหนึ่งได้สอนธรรมะสองได้ยกย่องจับ่ามเห็นไหมครับและมันจะกลมตืนมันจะแนบเนียนนี่คือวิธีการ พอพูดประเด็นเรื่องว่าภาษาไม่ได้จำกัดอยู่ที่สื่อภาษาพูดอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะในการเทศน์ท่านถือคัมภีร์ไบหลานนิ่งๆมันปราบเสียนมาเยอะแล้วครับถ้าท่านไม่พูดให้คนเห็นภาพไม่ใช้สื่อกุกอ่อนคนพูดแบบธรรมาทิถานคนจะตามท่านไม่ได้ตลอดแล้วก็จะหลังเป็นส่วนใหญ่ ในการพูดให้คนเห็นภาพท่านต้องสื่อให้คนเข้าใจโดยใช้สื่อต่างๆรูปถึกภาษามิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับสีซอให้ควายฟังนักสีซอคนหนึ่งไปนั่นงซ้อมสีซออยู่ริมขาดไม่มีใครฟัง มีควายเล็มยากอยู่ตรงนั้นแกก็นึกในใจว่าสีซอแล้วควายไม่ฟังจริงหรือเปล่าแกก็เลยสีเป็นเพลงเขมรไล่ควายมันก็ไม่ไปสีเป็นเสียงเอ๊ะมันจะสิ้นชื่อศิลปินแห่งชาติหรือควายไม่ฟังนีลองเปลี่ยนใหม่สีเป็นเสียงยุงร้องนิ่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆควายก็ได้ขู่เลยครับ นึกว่ายุงจะมากัดสีเป็นเสียงลูกแงร้องลูกควายร้องหยุดกินหญ้าเลยควายตัวนั้นนึกว่าใครเอาลูกมันมาซ่อนอยู่แถวนั้นเห็นไหมครับสีให้เป็นเถึกควายฟังถ้าสีไม่สีแล้วควายไม่ฟังไปนึกว่าคนฟังเป็นควายโง่อะไรเงี้ยนะแล้วอุตส่าห์ไปเรียนวัดรัดนโอรสเตรียมอย่างดี หลับไปครึ่งสลาควายแท้ๆใครคิดอย่างนี้แสดงว่าสีสอไม่เป็นสีเป็นแล้วควายต้องฟังเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้คือหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรสีซอให้ควายฟังทำไมควายยึงฟังคือปรับระดับภาษาให้มันเหมาะกับระดับของผู้ฟัง ถ้าเป็นผู้ฟังระดับนี้พูดอย่างนี้ระดับปถมชาวบ้านตาสีภาษาพูดอย่างนี้ระดับข้าราชการพูดอย่างนี้และอย่านึกว่ามันเป็นประโยคอย่างเดียวนะมันเป็นภาษาหมายถึงสื่อด้วยครับพระพุทธเจ้าไปสอนพระเจ้าประเสิทธิโกศนพระเจ้าพินใช้ภาษาอย่างหนึง่งสอนชาวนาะสอนอย่างหนึง่ง และไม่ใช่เรื่องภาษาพูดอย่างเดียวกันสื่อที่ยกมาตัวอย่างอุปมามามาสื่อเนี่ยมันคนละแบบในพนใระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่ง พ, พระเจ้าประเสิทธิโกศลไปเฝ้าพระเจ้าครั้งแรกเลยแขว้นโกศลมีแขวนที่ใหญ่มากมีอํานาจมากครอบเขาเรียกว่าแควนสักกะสากยะกนี่จะต้องเคารพน้มน้อม พระเจ้าประเสริฐนั่งโกศลพระเจ้าประเสริฐนั่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นเพิ่งตัสรู้อายุสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกประมาณนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกปูทําไมยังหนุ่มจักเลยแล้วท่านยังหนุ่มอยู่ทําไมประกาศตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้า เจ้าลัทธิปุรณะกัส ป, ปะมคคิริโกสาระครูทั้งหแกว่ว่านิดยังไม่อาจหารพอที่จะประกาศตนเองว่าเป็นพุทธะเลยแล้วทำไมหนุ่มอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้เสียจโอ้พระเจ้าตอบว่าไงพูดกับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้ภาษาระดับเดียว มหาบอกพิษสิ่งต่อไปนี้อย่าดูหมิ่นว่าเล็กน้อยไฟอย่าไปดูหมิ่นว่ามันเป็นไม่ขีดก้างเดียว<ม>เผาบ้านเผาเมือง อ, อย่าไปเอาไม่บ้านมาแล้วไม่ขีดก้างเดียวอย่าไปดูถูกกูพิษอย่าไปบอกว่าตัวกระเจี๊ย กัรทีเดียวตายกษัตริย์ที่ได้รับการราชาพิเศษแล้วอย่าดูหมิ่นว่ายังเด็กนะักสั่งประหารชีวิตคนได้สมณะอย่าไปดูหมิ่นว่าเด็กนะักหนุ่มนะักอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พระเจ้าปฏิเสธนักโกศลยอมเลยนะเพราะไปยกตัวอย่างที่ ไอ้เรื่องงูเรื่องไฟก็ชัดแต่ที่ยกตัวอย่างเรื่องกระสันเนี่ยตัวเองเป็นกระสัมาตั้งแต่เด็กๆเกๆมันอินเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่องกระสันจะเป็นดูถูกพระก็อย่าดูถูกว่าหนุ่มนะนี่คือสื่อกันเข้าใจในระดับนี้อไปสอนชาวนากระสีพารัตวาชาพระ พรามเขามีคนใช้ปลูกข้าว เ, เกี่ยวข้าวทุกวันเวลาไปไปหน้าข้าวออกรวงเนี่ยช่วงนั้นพรามแกจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบินบาบถือบาทผ่านแกก็ไม่ยอมใส่บาทจนกระทั่งข้าวออกรวงเนียเกี่ยวข้าวใาแล้วพระ พระเจ้าหมายพราทนไม่ได้บอกสมมามเณเมื่อเที่ยวขออยู่อย่างนี้ได้อย่างไรถ้าอยากกินข้าวต้องทานาเราเนี่ยทานานะจึงมีสิทธิกินข้าวท่านไม่รู้จักทานามันก็อดตายมาเที่ยวขอนี่ลำขาดนี่พูดให้เห็นภาพนะ บาลีเขาไม่ได้แปลลำคานนะใส่เข้าไปพระคุณเจ้าตอบเขาไงพรามเราก็ทานานะเนี่พูดกับชาวนาใช้ภาษาชาวนาเราก็ทานานะเราจึงมีสิทธิ์ได้เข้ากินพรามก็ถามว่าไหนละเครื่องอุปกรณ์ในการทนานาเนี่ยของท่าน วิจาบาบ์พระรัชาบอกเราทานาในจิตใจแล้วก็จัดเป็นภาษาคาถาทุกวันนี้ที่เราไปใช้เป็นคาถาขอฝนเนี่ยฮริเอสามนโนโยตังสติเมภาละปาจันังฮีริเป็นงอนไถใจเป็นเชื่อก สติเป็นผานและประตังแล้วก็เทียบไปหมดเลยธรรมะแต่ละ อ, อย่างกับไอเอเอุปกรณ์ทานาพรามก็เข้าใจสิเพราะว่าพูดภาษาที่เขาใช้อยู่ทุกวันพอเทศจบพูดจบพรามบอกท่านทานาจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ได้ข้าวฉันเลยถวายแล้วปฏิ ญ, ญ, ญาณตนฟังเทศฟังธรรมเป็นอุปสม พวกเราอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในวันนั้นวันนี้มันมีเรื่องเล่าเรื่องราวสื่อต่างๆเนี่ยต้องสึกษาอาชีพชาวบ้านเขาทำอะไรปลูกมะพร้าวสอนทรมะเทียบกับมะพร้าวทาถนนเทียบกับถนนอย่างนี้เป็นต้นมันจะสื่อให้คนเนี่ยเข้าใจ เลือกตั้งเราไม่ต้องไปเลือกตั้งระดับประเทศเหรอกเลือกตั้งอบตอบจอเนี่ยเอามาเทียบกันกับธรรมะโจรปล้นปล้นจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนไม่รู้หรแต่ในะจังหวัดเราซึ่งเป็นข่าวซุบซิบกันบางเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถสื่อกันทั่วโลก ผมไปเทศเมื่อไม่นานมานี้ที่จังหวัดอ่างทองพูดถึงว่าชีวิตมันไม่เที่ยงตาจสรเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายไตย่สายอยู่สุขสบายบ่ายมุ้ยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดักชีพแห่ เย็นอยู่หอกลูกด้วยข้างม้ยอาสันเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนว่าจะมีชีวิตไปถึงเมื่อไหร่อย่าทะเลาะกัน <c oughs> รีบคืนดีกันอภัยันอย่าไปหวังว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาคืนดีกันบันทีสายไปแล้วเหมือนกับเด็กสาวดารานักแสดงอายุยี่สิบเอ็ดปีทะเลาะกับเพื่อน คุยโทรศัพท์ปรับความเข้าใจไม่รู้เรื่องขับรถมาจัดพัทยานะเพื่อมาอายุธยากำลังเถียงกับเพื่อนอยู่นะขับด้วยความเร็วด้วยโทรศัพท์ไปด้วยฝนกระตกหนะักปรากฏว่าไปไม่ถึงเพื่อนนอนอยู่ริมถนนชนกับราวสะพานตายอยู่ตรงนั้นพูดอย่างนี้ ส่วนมากเข้าใจเพราะมันมีข่าวดาราดิตอนนั้นนึงยกเว้นแต่พวกที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยที่ไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่จะรู้นะพวกที่ไม่รู้ก็แล้วไปมันสื่อนะท่านชาวบ้านก็เข้าใจทุกเรื่องเป็นสื่อในการอุปสตัวในการสอนธรรมะในบด ไม่มีอะไรที่ใช้สอนธรรมะไม่ได้แต่ท่านต้องเลือกเอาที่ใกล้ตัวเขาเขาเห็นเขารู้ในเชตปจักหวันนะครับทีนี้ถ้าท่านพูดเรื่องที่ไกลตัวเขามันก็เหมือนกับสีซอให้ขวายฟังภาษิตอุทานธรรมจึงบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขา ว่าโม้เง่างมเง้อเซาน้ำหนาตัวของเราทําไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจเทศแล้วคนไม่ฟังฟังไม่รู้เรื่องหลับกันอะไรกันเนะ่ะเพราะท่านอย่าไปโกรธคนฟังท่านอย่าไปโกรธควายถ้่วายเราสีสอนแล้วลควายไม่ฟังซอของท่านคือภาษามันไม่ตรงไม่เหมะ ต้องโกรดตัวเองว่าพูดจาท่าไหนคนไม่รู้เรื่องพูดจาให้เขาไม่เข้าใจนี่แสดงว่าภาษาของเราไม่พอเพียงภาษาพูดก็ไม่ไม่ถนัดภาษาภาพภาษาสื่อคอนเทนต์ก็ไม่ใช้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาละครับนี่คือภาษากับการเทศ ต่อไปนี้ผมจะพูดภาษาไทยกับการเทศครื่งแรกผมพูดเรื่องภาษากับการเทศและภาษาที่ผมหมายถึงไม่ใช่แค่ภาษาที่เป็นคำพูดภาษาใบภาษาภาพภาษาอะไรต่างนะและใช้ให้มันเหมาะกับผู้เรียนผู้ฝังระดับของผู้ฝันเหมือพระเจ้าเทศสอน พ, พศศระเจ้าเปรเซียนให้กนสุเเจ้าบดีก็ภาษาสูงหน่อย สอนชาวนาก็อย่างหนึ่งส่วนที่สองครับภาษาไทยกับการเทศภาษาไทยกับการเทศเนี่ยถ้าท่านใช้ภาษาดีๆนะจะทำให้สามารถแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดงามด้วยอะไรครับภาษาครับ ไม่ใช่งานด้วยลีลาทาไมพระเจ้าแสดกทำที่งามในเบื้องต้นในงามในท่ากลางงามในที่สุดคือภาษาไม่รวมถึงว่าธรรมัะของพระองค์ด้วยนะพระเจ้านะี่ยตัดสู้เชี่ยวชาญในธรรมัะแต่ทรงสื่อแต่ก็สา ม, มารถสื่อเลือกยา ก, ยากให้คนเข้าใจได้ด้วยภาษางามคือไพ่รอบด้วยภาษา ท่านเทศได้ไพเราะเพราะอะไรครับเพราะภาษาของท่านตอนอุเทศมันจะมีภาษาไทยที่เป็นแบบในการอุเทศท่านเลือกภาษาให้มันเหมาะในขณะนิเทศท่านก็ต้องมีภาษาแบบประโยคแบบที่เป็นนิเทศและสุดท้ายสรุปอุเทศคือตั้งหัวข้ออลัลพบท นิเทศคือขยายความปฏินิเทศคือสรุปจบแต่ละตอนเนี่ยงามในเบื้องต้นด้อุเทนงามในท่ากลางด้วยนิเทศงามในที่สุดด้วยปฏินิเทศถามว่าทำอย่างไรการที่เราจะเทศได้ดีนะท่านลมเล็งถึงว่าหนึ่งท่ายจะต้องเข้าใจถรกมะ ที่ท่านจะเทศอันไม่ใช่ทุกเรื่องนะแต่ท่านจะเทศเรื่องไหนท่านจะต้องเข้าใจความหมายของที่เรียกแตกฉานด้อัฐิอธิบายได้เนี่ยเข้าใจอย่างปโปร่งเข้าใจเนื้อหาเรื่องที่ท่านจะสื่อเรียกว่าอัฐิปฏิสัมขิฐานวงเล็บนะท่านไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเรื่องที่ท่านจะเทศนะท่านจะต้องแตกฉานดิฉะนั้น ท่านจดชี้ไปที่พระจันทร์กลายไปชี้ไปที่ดาวเพราะไม่รู้พระจันทร์คืออะไรชี้ไปกินธรรมะปฏิสัมพิทาแตกฉานในธรรมะคือหัวข้อธรรมหัวข้อธรรมก็คือเช่นตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นอัศรทาไมเป็นที่พึ่งในความหมายว่าอะไรเป็นอัศรเป็นข้อหนึ่ง แต่ท่านมีหัวข้อธรรมะสัจจาธรรมะขันติจารัางเนี่ยเป็นธรรมะแต่ท่านสามารถจะอธิบายคาว่าสัจญาคือสัญจาของลิงพูดจริงทําจริงแล้วลิงก็โดดจริงอะไรอันเนี้ยเป็นอนธิบายท่านอย่าไปถ้าท่านสอนเป็นนามนธรรมก็คือท่านเก่งในเรื่องธรรมะสอนแบบที่ทา แต่ท่านไม่สามารถจะสื่อด้วยบุคลาธิฐานท่านขาดอัฐปณิสัพพิธฐาข้อที่สท่านมีท่านมีความเข้าใจในภาษาที่พูดในเรื่องที่จะพูดและมเีเนื้อหาต่างๆว่าจะอธิบายยากักย้ายมีประมาณมาณอย่างไรแต่พูดให้คนเข้าใจไม่ได้เพราะว่าสับแสงมันไม่พอภาษาพระเจ้าแผ่นดินท่านต้องใช้ภาษาหนึ่ง ภาษาศาสตราจ า, า, ารย์ก็ใช้ภาษาหนึ่งพูดกับศาสตราจารย์พูดกับครูใช้ภาษาหนึ่งพูดกับชาวนาชาวบ้านตารีศาษาใช้ภาษาหนึ่งการที่ท่านมีความรู้ในภาษาที่หลากหลายเราเรียกว่านิรุตติปฏิสัมพิทาแตกฉานในเรื่องภาษาเอาถ้าผมจะพูดกับเด็กๆสมัยนี้นะครับเจอหน้ากันสบายดีหรืออ่อเจ้า แค่อ๋อเจ้านี่หูผึกงเลยลวงพี่จะประเทศเรื่องอะไรอะไเนี่ยเห็นไหมท่านท่านอย่าไปนึกอัรรามานี่ไม่ต้องญาติโยมสาธุชนสบายดีหรืออะไรญาติโยมสาธุชนมันอีกระดับนึนอ๋อเจ้าอย่าดื้ออย่าซนฟังพระเทศนี่มันสื่อนิรุกติปฏิสังข์ที่แท้และอ๋อเจ้ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนันก็พูดตามๆกัน อ, อ, อะไรก็อ๋อเจ้าหมดรับ ปฏิพานปฏิสังพิษาแตกฉานในปฏิพานคำว่าปฏิพานในที่นี้เนี่ยแปลว่าฉับพลันเฉพาะหน้าพูดได้ถูกสถานการณ์พระพุทธเจ้านึกมาก่อนหรือเปล่าว่าพบพระเจ้าปรตเสิยธิโกสอนเลจะถามว่าทำไมยังหนุ่มทำไมหนุมนั้นตอบพวกเลยใช่ไหมนั่นแหละคือปฏิพานเหมาะกับสถานการณ์นั้น ถ้ามัวแต่ไปล่ายาวอยู่คนฟังไม่ต่างหนึง่งจากกะชาวนาก็เข้ากับเรื่องชาวนานี่คือปฏิบัติไปเทศในงานสมมติโยมนิบนไปแล้วก็เตรียมจะสสำหรับจะไปเทศงานศพบอกว่าลูกตายนิบนพระคุณเจ้าไปเทศหน่อยพอไปถึงโรงเล็กนิดเดียว ทำไมลูกกี่กี่ขวบระโยมโลงเทศนีสิบขวบเออทำไมลงหมาเจ้าค่ะเทศงานหมาเดี๋ยวนี้เขาเรียกหมาเป็นลูกนะท่านนะแล้วท่านจะสะบัดหนีบอกตะมาเทศให้คนไปเทศงานหมาเหรอท่านก็จะต้องเปลี่ยนบาลีนิเคปหมดนั่นแหละบอกการงานหมาใช่ไหม พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับนิมนต์จากอนาถาบินิกาเศรษฐีไปเทศกานศพงานศพเขาเรียกทัศนานุปประธานทำบุญอุทิศให้ผู้ตายพอไม่ถึงบ้านไม่มีศพเลยพระ้ามกถามอนาถาบินิกาเศรษฐีว่าผู้ตายเป็นใครเป็นลูกลูกใคร ลูกของหลานหลานสามขวกมีลูกแล้วเหรอเออเนี่ยงงไหมล่ะหลานเศรษฐีอายุสามขวบมีลูกลูกตายร้องไห้ไม่ยุดถามว่าลูกคืออะไรตุ๊ ก, กตาทนะ่านไอ้ตุ๊ ก, กตาสมัยก่อนนี่ไม่ใช่บาร์บี้อะไรนะมันเป็นตุ๊ ก, กตาดินดินปั้นเหรอตุ๊กตามันตกแตกไอ้ดินปั้นเหรอกกนอีย ร้องไห้อยู่ได้หลานเศรษฐีบอกว่าจะซื้อให้ใหม่จะปั้นให้ใหม่ไม่เอาลูกตายแล้วเด็กมันว่าจนเศรษฐีหลุดปากนั้นจะทำบุญดุที่สวนบุษบดไปให้จัดพิธีงานศมให้เด็กหยุดร้องในท่านแล้วมันก็ทวงอยู่เรื่อยเยมื่อไหร่จะจัดงานศมให้ลูกมันเศรษฐีเลยต้องบากหน้าไปนี่บนพระพุทธเจ้า พอระพุทธเจ้ามาอ้าวกลายเป็นตุกตาท่านงานส่ตุกตาหนักกว่าไอ้ลูกหมาใช่ไหมเราคิดถึงดิพอพอเศรษฐีกราบทูนว่าเนี่ยตุกตาแทนที่พระเจ้าจะว่านะกับอกว่าท่านเศรษฐีการทำบุญดีทั้งนั้น ปลารกอะไรก็ได้ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วจะได้บุญได้กุศลแล้วพระเจากระตับว่าทายกอาจจะปรารกเจ้าที่เจ้าทางเทพพายดาอะไรต่างและทำทำเทวตาพรีหรือแม้กระทั่งทำให้ทุกขตา การทำบุญถวายทานแนี่ประสงค์มันได้บุญอยู่ในตัวปลารกอะไรก็ได้นี่ปฏิพานนะท่านนนปฏิพาน เ, เราก็เอามาใช้สิหลวงพี่ทำไมไปเทศงานโน้นงานนีเ้เราก็อ้างพระเจ้าได้หมดจะปลารคอะไร งานเกินงานตายงานหมางานแมวโอ้แม้กระทั้งพวกเข้าทรงเนะียไปให้หมด <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ทำบุญเห็นไหมนี่คือปฏิพาคของรัชจักแล้วเราเอาไปใช้เลยเทศได้ทุกงานนะท่านมือลิเกใช่ไหมหนังฉายใช้ทั้งนั้นใช้ให้ผีดูยังฉายเลย เราเป็นนักเทศเราก็เทศได้ทุกงานทั่วราชอาณาจักรปฏิสัมพินธ์สีนะครับผมได้พูดมาในประเด็นเรื่องห่วงท่านจะขาดข้อหนึ่งข้อสองใช่ท่านข้อหนึ่งข้อสองคืออะไรครับคือพระจักรท่านไม่ได้เข้าใจธรรมะลึกซึ้งแม่ความหมายไ ม, ไม่ชัดเจนเนี่ยท่านจะต้องไปศึกษาที่เขา ให้ท่านตีความมาอธาิบายพุทธภาษีอะไรนเนี่ยคือข้อหนึ่งกัอสองส่วนนิ้วคือพระจันทร์ไอ้นิ้วที่ชี้พระจันทร์เนี่ยคือข้อสาที่ผมพูดมาวันนี้ทั้งบทเนี่ยคือข้อสาท่านส่วนข้อสี่คืออุปกรณ์หรือสื่อปรับให้มันสอนพร้อมเนี่ยแถมไปด้วยที่ผมเล่ามาสอนชาวนาเป็นอย่างหนึง่งสอนงานาพระเจ้าเป็นดีนอย่างหนึง่ง แม้กระทั่งเด็กตุก๊กตาแต่ก็อย่างหนึ่งเอาละทีนี้พอท่านจกผมเน็นข้อสามเลยนะในรุติในรุติปต็นสัมธิสางามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดด้วยภาษาอย่างไรอันนี้ท่านเรียนมาแล้วมีคนว่าพระสมัยนี้เทศเป็น ระดับสูงเลยนะบอกว่าพรกไปเทศในวังเทศอะไรนะเทศไม่เป็นที่เทศไม่เป็นเนี่ยเพราะเทศเหมือนบรรยายปาตกรถาตั้งนโม ก, ก็ไม่เป็นบาลีีนเข็มประบดก็ไม่อ่านพูดดุยดยถือแต่คำดีอย่างนี้ไม่งามในเบื้องต้นท่านมาเรียนที่นี่ ตั้งน้โมหะชั้นตัต้งตเป็นมาถึงขั้นนี้แล้วครับเรียนมาขนาดนี้ตั้งน้โมหะชั้นไม่เป็นก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าอย่าเทศเลยครับให้หวยยังจเจริญกว่า <S <S <S ยกอย่างเดียวครับคนก็ตีความตัวสิครับให้เลขอะไรก็ไม่รู้หน้าโมพาสิท่านต้องมีนีเข้ประหมด อารามพระบทอารามพระกถาครับณนะบัด น, นี้ใช่ไหมอา่านตรรมภาพจากพระประธานแสดงนเรนบาลีสุยเฟย์หยางนิเคปปบดณนะบัด น, นี้อา่านตรรมภาพจากพระประธานแสดงพระรธรรมเทศนาในสุจริตธรรมะคาถาท่าต้องท่องมันมาเป็นแบบนะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ระดับปัญญามารมีเพิ่มกุศลบุญยราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณนะวัดราชาวรส า, ารางแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบไปอันนี้คือประโยคแบบเดี๋ยวผมจะที่บายว่าถ้าเป็นประโยคแบบจะต้องพูดคล้อมจองสัมพันธ์มันตึงต้องท่องงไม่งั้นมันไมสัมพัน์ นักบัตรนี้อาจจะมัภาพจักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาสรนาสราอาในสุจริต ธ, ธรรมะกถาเนี่ยสัมผัสกันกนเะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉล อ, องสถานสารา อ, าอ่านเห็นไหมประดับปัญญาบารมีเนี่ยสรารอาอีกเพิ่มพูนบารมีก็เพิ่มพูนเพิ่มกุศลบุญญาศีสาอีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นไหมครับ ผู้นขนายมาฟังเทศฟังธรรมณวัดแห่งนี้ในวันขึ้นสิบห้าำเดือนยี่ซึ่งเป็นวันธรรมม ส, สวนณะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ฟังธรรมไพเราะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทำไมไพเราะเพราะสัมผัสเนี่ยเรียกว่าอะไรผมจะพูดโครงไปก่อนอารักพระบทแล้วนะ สัมมวจของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมหาโพธิวงศ์สาจาย์นะครับณ บ, บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในานาถากถาอ น, นุโมทนาส่วนกุศลเจตนาสระอายไหมที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญปรมัทฐานบบารมีเนื่องในมงคลดิถีส ร, รอีแหละเฉะลิมพระชนม์พันษาครบเจสบพันษา แห่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีหน้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราชเห็นไหมนาศกศักราช 2,547 โดยจัดให้มีการไถยชีวิตโคกระบือจบนวน279ชีวิตในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาทำไมจึงคล้องจองอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอันนี้เขาเรียกว่า มันงามในเบื้องต้นให้ทะลุา ง, งามนี่คืออย่างนี้อยู่ๆไม่ใช่ว่าขึ้นธรงมากตั้งนโมสามจร น, นโมตสามโมแล้วก็อาตียทานันอาตายาจารณาโธติติก็ไม่มีลีลานะอาตายาตารุณาโธติออเมันอะไรเนีจะไปรอดหรือเนี่ยเห็นไหมติก็ติต่อไปนี้โยมจะเทศหยุดตรร ม, มา มันเพราะตรงไหนนะ ม, มันไม่มีลีลาพญาหง์เหิอเเคยเห็นเรือสุพรรณหงษ์ไว้ไหมนะ <c oughs> เวลาจะเยอะยากจะพายออกนี่มันจะต้องมีให้จังหวะให้แล้วเาเรกมีลีลางามในเบื้องต้นทีนี้งามในท่าสลางงามในที่ศรีนครสรบางเนี่ย ท่านจะต้องรู้ภาษาไทยในเรื่องประโยคแบบที่จะเทศเนี่ยนะครับทำไมเราเรียกว่าเทศมันจะต้องมีประโยคแบบอย่างที่ผมว่าตอนอารามพระบท ต, ตอนจบให้พอเนี่ยท่องแบบเป็นประโยคแบบและสมนัโวหารภาษาพระครับเราไม่ใช้ภาษาชาวบ้านในการเทศ เพราะคนเทศต้องนั่งประนมมือฝังคนเทศก็ถือคำภีไบร์บลนันไบลันนี่คือพุทธพจน์สมัยก่อนพระใจไปดกจารึกในไบร์ลันบาลีที่เราอ่านคือในไบลานที่เราอ่านมาและเราก็อธิบายอธิบายคือนิเทศสมณะโอหารเนี่ยเช่นอาตามภาพใช้คําว่าผมไม่ได้นะครับในการเทศ เขาเรียกคําของสมณะเวลาเทศเนี่ยสมณะโอหัณนะบัดนี้ผมจะเทศให้ฟังไมไ่ต่อให้ผู้ฟังเป็นพระทั้งหมดมันต้องอ่านตามะภาพแสดงพระธรรมเทศนาไม่ใช่พูดวคูดวดจะเทศจะใช้คําว่าแสดงพระธรรมเทศนาหรือรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาคําว่ารับประธานไม่ใช่กินพระธรรมเทศนานะครับ รับประธานโอกาสคือขอโอกาสประทานคือให้เป็นสมณโภหารไม่ใช่ภาษาสุภาพอย่างเดียวพระเขาใช้กันขอโอกประขอประธานโอกาสในการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาเรียกว่ารับประธานแสดงพระธรรมเทศนาถ้าไปเทศในวันถวายพระเจ้าแผ่นดินณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมปฏิสนานด้วยครับ รับพระราชทานถวายวิสัชนาะถวายสัญญเป็นสมาโอหานท่านจะต้องจับราชาศั์คำสุภาพอย่างเช่นถ้าผมพูดอย่างนี้ผมพูดเรื่องหมาเศนงานหมาหมาตายได้แต่ถ้าคนบตรลุมือฟังเนี่นะครับถือคำพีผมก็จะเล่าด้วยภาษาคำสุภาพ พระพุทธเจ้าได้รับอาราธนาจากนานาถบินิกาเศรษฐีเพื่อไปโปรดในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตุกตาปั้นของหลานแห่งเงศรษฐีซึ่งตกแตกอันแสดงถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตุกตาแตกหรือลูกสุนัขตายเจ้าภาพก็สามารถปารก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้ยังไมครับเราไม่ใช้ลูกหมาตายนะครับออสุนัขมันดูมีไฮคลาสหน่อยฟังพระองค์นี้แล้วเพราะเขาเต้อนมือฟังท่านจะต้องเลือกสั่งขัแต่อย่าไปเลือกมากจนเขาฟังไปรู้เรื่องเลยวิธีเลือกมาจากไหนท่านอ่าน บทเทศนาที่พระผู้ใหญ่ท่านเทศเน่ยนะมาวัดดีท่านเทศพิมพ์เปนะ็นหนังสือพระธรรมเทศนากี่เล่มนะเอาไปอ่านเวลาเราจะเทศเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นมาอ่านโหนี่เทศท่านเทศในวังนะเราก็อยาบภาษาในวังวไปใช้กับชาวบ้านนองหมาเวาศ <c oughs> <c oughs> พระภาษาอันนี้ข้อสั่งส่วนร่ายยาว ร้อยแก้วร้อยกรองนี่เป็นอะไรในคนจะพูดจริงจสมนักโวหารเนี่ยนะท่านจะต้องใช้ให้ถูกอาตมานี่ใช้ในการพูดทั่วไปแต่สํำนวนเทศต้องอ่านตมะภาพไม่ใช่อ่านตมาภาพด้วยฮิตเอกตกหน้าตายเลยประโยคแรกเขาก็ไป่ฟังละอ่านตมาภาพไม่ใช่อ่านตมาภาพ ญาติโยมสาธุชนเราใช้เรียกผู้ฝังอุบาสกอุบาสิกาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเทศในวังนะครับผมเราต้องมีราชาศัพท์มีครั้งหนึ่งครับหลวงพ่อปัญญาทนะ่านเล่าให้ผมฟังถ้าได้รั บ, น บ, นบในบทไปเทศในวังงานสมเด็จญางาน ส่วนพระพิรมอุทิตถวายสําเร็จ์ยากได้หลวงรัชการที่เก้าเขาเรียกว่าทรงธรรม ส, รสว่าทรงธรรมคือฝั่งเทศท <c oughs> ่านหลวงพ่อปัญญาก็นั่งรถจากวัดชนประธานมาแวะที่วัดมหาธาตุริมริมพระราชวังวัดสนับหลวงไปพบพระโสเมธาที่บรดิเจ้าคณะกรทมในสมัยนั้นว่า จะเทศอย่างไรดีเทศในวังเนี่ยหลวงพ่อพระสุเมธาก็บอกว่ามันมีแบบนะอยู่ๆไปเทศถวายในหลวงที่ยจะตั้งระโมทันทีไม่นานเทศชาวบ้านจะตั้งระโมเลยพอเขาอาราธนาพระ ม, มาขึ้นธรราะตั้งระโมงแต่การเทศถวายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก่อนตั้งระโมต้องถวายพระพรและ ขอพระเจชาทานอาภัยโทษพระเทศผิดพลาดเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตรนินถ้าเกิดไม่พอพระราชหรืไทยพระเทศสัางปลดได้เลยครับโลกอตอนขึ้นธรามมาะเป็นเจ้าคนเดินโลกยัาธรรมะเป็นพระครูเดินกลับวัดพระครูเป็นดิกาด้วยสิ่อเคยมีมาแล้วก็ต้องขออภัยก่อน ท่าเทศผิดพลาดไปเอาแล้วแล้วจะพูดไว้ยังไงหลวงพ่อปญญาธากระถาหลวงพ่อระสมีทานก็บอกว่าต้องพูดอย่างนี้พอขึ้นธรรมา ก, ก่อนตั้งนโมนะถือคัมภีร์เท ม, มือด้องประนมมือหรือจะประนมมือถวายพรกันนะขอถวายพระพรเจริญพระราชาสิริสวัสดิ์พิพัฒนบุงคลพระชนมสุขทุกประการ อันนี้รวมถึงเทศที่ไม่ได้เสด็จนะครับเช่นงานพระบรมราชาุเคราะห์งานศพในวัดของท่านในจังหวัดของท่านเนี่ยถ้าในหลวงพระ ร, า, า, ร, ราชาุธิบห์และก็มีเทศนะท่านจะต้องอาราพบทแบบนี้ขอพระ ร, ราชธารอภัยโทษงานวันที่ห้าธันวาสมัยก่อนตามจังตวัดจังหวัดถ้ามีเทศท่านก็ต้องแบบเดียวกันขอถวายพระพร เจริญพระราชศริสวรรค์พิพัฒนะมงคลพระชนนอมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารลพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปมาทกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารักพระราชทานถวายมิสัชนาไปมิได้ต้องตามโมหะรักอัตธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย แกอ่นานธรรมผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรหลวงพ่อปัญญาบอกว่ามีปัญญาน้อยเราจะเทศได้ยังไงหลวงพ่อพระสุมเมธาเขาบอกเทศไปเถอะมันเป็นแบบอย่าไปเผลอว่าปัญญามากก็แล้วกั น, นแล้วคําว่าอ่นานธรรมไม่ใช้อ่นานธมภาพนะเนี่ยเป็นแบบนั่นกันอ่านธรรมะผู้มีสติปัญญาน้อยอันนี้ต้องท่องไป น, นคะครับขอถวายพระพรเจริญพระราชแล้วต้องวัดให้เป็นด้วยนะเัาเรียกรีลาจเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมามสมทุกประการวิธีการอ่านอะไรอนะ่างนต้องออกเสียงให้ถูกด้วย <c oughs> นี่คือเทศอาทิต น, นี้มาถึงเรื่อง อันนี้อุเทศนะครับรามพบต่อไปนิเทศนิเทศเนี่ยภาษาการเทศชั้นครูด้ี่ยนะครับเขาจะพูดให้สัมผัสไพเราะสละสรวยดึงภาษาสุภาพอันอันที่สองราชาสัมผมพูดไปแล้วนะอันต่อมาก็คือเป็นรา ย, ยาง การเทศที่มันเป็นต้นแบบเนี่ยต้องเทศเป็นร่ายยาวชั้นครูร่ายยาวคือพูดไปทางธรรมดานเนี่ยแต่สัมผัสกันคนที่มีเรียกเทศมาชั่วโมงบินสูงเนี่ยเขาจะพูดคล้องจองสัมผัสกันตลอดทางกัรแต่พวกเราส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยคำคล้องจอง ม, มีเฉพาะตอนต้นกับตอนจบ กลางๆนี่ว่าไปตามปกติเพราะเราไม่ชำนาญการเทศเขาเรียกไร่อย่ า, า, ยยาวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เริ่มร่อ ย, ย่าวเขาเรียกกําลังเทศเช่นแม่บ้านเทศอบรบสามีที่กําลังเมาเนี่ยการพูดเนี่ยร่อย่ า, ยยาวคือพูดยาวเขาเลยเทศกลับไปบ้าเมียเทศผมเพราะสมัยโบราณคําว่าเทศคือร่อย่ า, ยยาว ลีลาของวัดประยูนยที่ผมสกัดเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพุะสุโขทัยจันจีสมัยรชัชกาลที่สามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเรียกลีลาสาลิกาป้อนเยื่ออันนี้บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยโนตสมัยสมเด็จพุะสุโขทยจัจีวัดประยูนยเป็นต้นแบบการเทศที่สำนักวัดประยูนยใช้มาจนปัจจุบันนี้อบรมนักเทศเนี่ยนะครับผมไม่ได้อบรมในหมวนต่างอบรมแบบ ใครอยากจะมาเรียนในภรรษาเนี่ยสามเดือนทุกปีปีนี้รุ่นที่ยี่สิบอะยี่สิบกว่าปีหนึ่งประมาณสามร้อยลูปใ น, ในภรรษาวันพระเป็นเป็นวัดเดียวที่ใครจะสมัครไปเรียนเราสอนให้ยี่สิบกว่าปีลีลาที่เราใช้เรียกว่าสาริกาป้อนเหยื่อใช้มานานจนสมัยรัชกาลที่ห้าีมีคำ กอนมีคำพูดเกิดว่าอย่างนี้ครับว่าอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปราดให้อยู่วัดสามพยาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมขอพิษโบราณเขาว่าอย่างนี้นะรปรากฏว่าอยากเป็นนักเทศยศประยูนสมัย น, นี้เดือชัยอยากเป็นเจ้าคุณต้องไปไหนครับวัดบวรเออ วัดปักน้ำอยากเป็นนักปราให้อยู่วัดสัพยาก็เดี๋ยวนี้อยากเป็นนักปราไปไหนครับไปเรียนมหาจุฬาเออนี่อธิการ <c oughs> รู้ไว้ซะด้วย <c oughs> เอออยากเป็นมหาวัดไหนครับ <c oughs> เออ <c oughs> วัดโบรีวัดไสยทองย้ายหมด เหลือวัด น, นักเทศอยู่ที่เดิมครับวัดไปยูนวงและก็วัดน้าตโอรสหน่อยเนี่ยเพราะว่าวัดโอรถไม่ได้อยู่ในกรอนไงแต่ว่าวัดไปอยู่นี่คงเส้นค ง, งวา่าเป็นหลายร้อยปีจนเรียกว่าใครอยากเป็นนักเทศเดินเฉียดวัดก็พอเทศได้นะครับผู้ที่อยู่ในวัดไปยู่ที่เทศไม่ได้ก็มีเสาไฟฟ้าครับเดนก็เทศผีนักเทศมันสิง ค, ครับ ตัวอย่างนักเทศวัดประยูนชื่อพระราชวีทีพรหลวงพ่อสมเด็จวัดวนชนะบอกว่าเทศไัยรสมเด็จพระมหาทีร า, ารย์ล่าผมฝั่งว่ามันสัมผัสกันตลอดท่านยกตัวอย่างว่าที่ฟังยาวุลราชวทีพรเทศเลรื่องภาษาเนี่แหละครับแควนกาีและก็ซนทั้งสองตำบล น, นี้ เป็นทองปทภีแผ่นเดียวกันที่สเมเร็จวัชนะว่าฟังสาริกาป้อนเหยื่อคืออย่างไรครับหนึ่งภาษาไพเราะสองเหมาะกับระดับผู้ฟังสอนชาวบ้านสอนอย่างหนึ่งเหมือนกับแม่นกสาริกามันจะดูปากลูกนกครับ ลูกนกปากเล็กกับป้อนท่านี้ปากใหญ่ก็โตขึ้นกับป้อนเพิ่มๆๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นเขาเรียกสาลิกาป้อนเยื่อที่นักธรรมให้มันมันมันจะเคี้ยวก่อนนะนกเนี่ยมันจะเคี้ยวเคี้ยวแล้วขย้อดออกมาลูกนกมันจะกินนะไม่ใช่เอามาทั้งนุ่นสาลิกาป้อนเยื่อคือแบบนั้นอย่างที่ผมพู ด, พ, ดพูดมาเนี่ยคือหลักสาลิกาป้อนเยื่อต้องปรับให้มันบอกภาษาด้วย และไพโระด้วยที่ว่าไพเรดคือเทพแบบไรา ย, ยาวครับร้คือคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึง่งที่แต่งง่ายที่สุดและมีฉันทั์น้อยกว่าร้อยกรองประเภทอื่นร้อยกรองมันจะมีสี่อย่างกาห้า อ, อ, อย่างกากรอนโครงฉันไร้ กาบกอกรอนโครมฉันและกระายเป็นเขาเรียกว่าร้อยกรองถ้าพูดเจ้อยเจ้วอย่างที่เราพูดที่ผมพูดเนี่ยเขาเรียกร้อยแก้วไม่สัมผัสแต่ร้อยกรองมันจะสัมผัสและสัมผัสเป็นกรอนมันก็ดูกระไรอยู่เราก็มาพูดเป็นรายมันม่มันเป็นยังไงครับไร้มีลักษณะใกล้เคียงกับคำพันธ์ร้อยกรองร้อยแก้วเหมือนร้อยแก้วเตียงแต่ว่าคล้องจองและสัมผัสกัน อ่ะยกตัวอย่างสีปลาดครับสีปรากแต่งโครงเก่งมากเป็นลูกใครครับลูกพระโหราธิบดีสมัยพนายมีน้องชายซึ่งผมก็เพิ่งรู้ครับเป็นพี่หมืออ่นไอพี่หมื่นที่ไ่รู้มาจากไหนมันอยู่ในบุพเพศนิวาสนันะ เออนั่นแหละน้องชายสีปราดสีปราดนี่เจ้าชู้ครับไปถูกตัดคอประหารชีวิตที่นครศรีธรรมราชตอนอยู่ในวังนี่แหละครับวังที่พัฒนารายสีปราดชอบเกี่ยวพาราสีนางสนมสงน่งจดหมายจีบบ้างอะไรบ้างซึ่ง นางกำนันสนมกำนันไหนเนี่ยเป็นต้องห้ามาครับเป็นของพระเจ้าแผ่นดินแล้วสีปราดเนี่ยชอบไปเกาะแกะไปจีบทีนี้นางสนมคนหนึ่งครับหมั่นไส้สีปราดก็เลยว่าสีปราดเป็นโคลงนะครับหักหายกระต่ายเต้นชมจังว่ากันเป็นโคลงเลยนะครับ เหมือนในเรื่องอ๋เจ้าเนหหายกระต่ายเต้นชมจันทร์มันบกเจี่ยมตัวมันต่ำต้อยน้ำสนเหมือนดวงจันทร์สีแปลกนั้นกระต่ายหัหายกระต่ายเต้นชมจันทร์มันบกเจี่ยมตัวมันต่ำต้อยนกยยงหากกระสันถึงเม้ มันบ่อเจียงตัวน้อยต่ำต้อยเิราาชานน่าเจ็บนะครับเิรชานเลยกระต่ายเต้นหาพระจนันทร์นกยูงเนี่ยเวลาเมกตั้งเขามันจะลำแพลนก็สั่งถึงเมฆสมัยนี้เรียกอะไรหมามองเครื่องบินอ้สำรวจสมัยใหม่นะสมัยสีปราดใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเครื่องบิน สีปลาดโดนด่ายอย่างนี้ตอบทันทีเลยครับปฏิพานกวีแต่เชี่ยวชาญในภาษาในรุ่มติมากหะหายกระต่ายเต้นชมแขแขคืออะไรครับพระจันทร์หหายกระต่ายเต้นชมแขสูงทรงสุดตาแลสู่ฟ้ารึดูรึดีแดสัตสู่กัดนานะ อย่าว่าเราจะข้าอยู่พื้นเดียวกันเจ็บไหมครับไอ้ที่ว่าเนี่ยมันโอ้ยนู่นพระจันทร์นู่นกระตายพระันทแต่เรานี่มีสิทธิ์เพราะอยู่พื้นดดวยกันจีบมากๆพระนารายณ์เลยในประเทศไปโดน่นนนครศรีธรรมราชไปจีบไปจีบสาวของเจ้าเบืองนครศรีเขาก็เลยประหารชีวิต ตายที่โนดนก่อนประหารชีวิตยังแต่งโครงด้วยเอาเอามือที่ไหนเขียนโดนมัดแอดนเนี่ยธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้านเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านบาลาน ดาบนี้คือสนองเมื่อพระนารายณ์ทราบสําเด็จพระนารายณ์ทราบว่าสีประถูกประหารก็เลยสั่งประหารเจ้าเมืองนครศรีสรรราชด้วยตายตกตายกันดาบนี้คือสนองครั้งหนึ่งครับสีปราะตามเสเด็จพระนารายณ์ไปเที่ยวพระพาคอุไถ่อยู่กำลังหลับๆกันอยู่เนี่ยทั้งเจ้านายทั้งลูกน้อง ลิงครับมันสน่งอยู่บนยอดมาททยอุจรักษ์ใสหัวพระยาเดโชชัยคนก็หัวเราะกันสิครับไอ้พวกเสนาอัมหมายผู้ตามเสด็จหัวเราะกันลั่นเลยพันอะไรมันทมตื้นมันทมหัวเราะ อ, อะไรไม่มีใครกล้าทูล เพราะพญาสิหเรียรในโชชัยเป็นเหมือนกระทรวงมหาไทยเนี่ยเสนาบดีและแกหัวล้านครับไอลิงมันขี้ใส่หัวพ ด, ดีเลยโอ้โแกโกรธนะาเคี้ยวเลยครับขืนใครไปพูดเกี่ยวกับหัวแกนี่คอขาดเนี่ยรับหลังพระลายโดนตึ๊บเนี่ยไม่มีใครพูดครับไม่มีใครทูลก็เลยหันมาถามสีปราศสีปรากราบทูลว่า ขอเดชะพยัคัวานรขายอุจระรถศีสั orian, พระยาเดโชชัยพร้องจอกันหมดครับคนก็หัวเราะแล้วก็พะยาเดโชชัยก็ไม่โกรธมันพูดเพราะด <laughs> <t> ีคร <t> ับด่าแล้วยังเพราะอีกครับพยักคัขอเดชะวานรทายอุจระรสระอาเะมาเลยนะนี่พูดเป็นไรครับ คิดได้ไงเรื่อปฏิพัน์กวีคือสีปราสุดยอดเลยไร่ไม่กี่คำก็ได้ขอให้สัมผัสกันยาวก็ได้คือเป็นอย่างนี้ครั บ, บอนทยกลจบคือไร่เนี่ยขอให้คำท้ายกับ อีกคำ ต, ต่อไปมันเชื่อมกันแล้วเราต้องรู้วิธีพูดนะครับถ้าท่านวักไม่เป็นเวลาพูดเลยนะครับไม่เพราะนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่นี่คือตัวอย่างจะมีกี่คำก็ได้สิบคำก็ได้วักหนึ่งเดนะือนครับสองคำก็ได้อย่างพยักคะาขอเดชะวานารัรดนสั3คาแต่ว่ามันมีสัมผัสกัน คำท้ายกับคําต่ อ, ต อ, ตอไปเนี่ยนะครับเห็นไหมต่อต่อต่อกันเนี่ยมันก็จะสัมผัสกันอย่างเงี้ยครัำว่ามีหลายเส้นคือสัมผัสกับคาไหนก็ได้อ่ายกตัวอย่างนี่คือไรครับมหาเวสันดรชาดกอะโพธิสัตโตสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์อันสร้างสมอันสร้าง สมดึงปารมัตธบารมีเมื่อจะรับภะวโรควโรรักเรืองสีแปรประการแดสำนักนิทถามัคควานเทเวก็ทูลแกท้าวสหัสเนตชนีเห็นไหมสัตว์ปารมัตสีพระขวางเนี่ยมันสัมผัสกันมาเรื่อยๆนะไม่ไม่มันไม่มีแบบเฉพาะหรอกครับขอให้สัมผัสกันมันก็เป็นไรครับ ถ้าใครเรียนมหาชาติคำหลวกนะท่องอาคยาผมยังท่องได้เลยวาริชเซวะเมสโตเสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสนึกถึงนะครับพระเวชนดรบริจาคสองกุมารไปแล้วกันหาชาลีแล้วก็ไ อ, อชูชคเนี่ย เขียนตีสองกุ ม, มารต่อหน้าพระเวสสันดรว่าทเวสสันดรเห็นเขาเขียนต่อหน้าลูกเนี่ยโกรธครับโกรธจะชักพระขันมาฆ่าชูชกเลยมาตีลูกต่อหน้านี่คือว่าด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นครับวาริชั่นเสวเมสโตความคิดของพระเวสสันดรนะที่เห็นเขามาตีลูกเนี่ย สเสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานตัวเราผู้ทําทานเหมือนตัวปลาพระโพธิยานในภายหน้านั้นคือใสเห็น ไ, ไหมครับสัมผัสในบดตีปลาที่หน้าใสจะเข้าไปให้แตกฉานฉานกับทางปลากับภายหน้านี่คือสัมผัสพระโพธิยานในภายหน้านั้นคือใส ปลาธนาจะเข้าไปเจนยกพระลูกให้เป็นฐานนบารมีพระลูกรักทั้งสองสีด่งกระแสสิฐสิพรางประมาณบินมาดาตีเหมือนเสมือนกระทุ่มวาลรให้ปลาตื่นน้ำพระไทยเท้าเธอถอยคืนจากอุเบกษาบัง เ, เกิดอวิชชามหาห่อพุ่มให้กัดกรุ้ม ด้วยน้ำพระไทยจึงหมายจะชักพระขันมาเรามาอยู่ป่าด้วยมือเปล่าก็ใช่ทีอย่างนี้ว่าไปเรื่อยๆสัมผัสกันสมัยนี้เราไม่ได้พูดสัมผัสกันขนาดนั้นแต่อย่างน้อยหัวข้อที่เราตั้งจะพูดเนี่ยมันสัมผัสเลยครับอย่างหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นรูปเจ้าวาดรูปที่สิบสี่หลวงพ่อพุทธรยาณ น, นักเทศรูปที่สิบสาม เวลาท่านอบรมพระใหม่นะครับบวชทำไมนี่ท่านจะพูดคล้องจองอย่างนี้ครับสวดมนต์ภาวนาบวชมาแล้วต้องทำอะไรสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียปรปฏิบัติฝึกหัดเทศนวัตประยุทธ์ต้องไปเทศบวชสามเดือนต้องไปเทศโปรดญาติโยมหนึ่งครั้ง ส่วนบนภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเปียนปฏิบัติฝึกหัดเทศนามขนานจะเป็นหัวข้อพูดยังคล้องจองกันเลยแล้วถ้าอธิบายไปแต่ละข้อส่วนบนภาวนาทําอย่างไรศึกษาเล่าเรียนทํำไงภาคเปลียนปฏิบัติทําอะไรฝึกหัดเทศนามจาได้ครับเห็นไหมครับเขาเรียกสา ร, ริกา ป, ป้อนเหยื่อมันพูดคล้องจองกันนี่อยู่ตัวอย่างนะครับหลวงพ่อพอะระทวารยางมีหนังสือของท่านเ้วดเก็บเล็กผสมน้อยท่านเราไปหาอ่านเป็น เกล็ดนี้ทางที่ท่านเตรียมไว้เทศสรุปสรุปเยอะเลยดัง น, นั้นเก็บเล็กประสอนน้อยหลมตาแพลเยอดไม้ที่แตกหนังสือชุดหลมตานะครับท่านเทศมหาชาติมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะแตกบทบทแรของท่านและเอามาใช้เทศผมยกตัวอย่างโลกนี้คือโรงละครงานศพนะครับปวงนิก่อนเราท่านเกิดมา ตามไร้รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกขหัวอกสะทอนมีร้างมีรักมีจากมีจอดพ่อจบละครชีวิตก็หลังเห็นไหมครับลแล้วหลวงตามักจะพูดคำที่สัมผัสกัน ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ให้กำลังใจนักเทศนะตกธรรมดไปขึ้นธรรมดาตกธรรมะยังดีกว่าไม่ยอมขึ้นเทศเลยล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่พูดแล้วเขาเรียกอะไรเตะหูนะจาง่ายไม่ได้ไม่ได้เสียไฟให้ผม ไฟช่วยช่วยดูสายไฟในฝ่ายเทคโนโลอ่อ่ า, ไ ม, ไ, อาไม่ได้เสียงให้เสียงไม่ได้กดสวิตช์อ่พูดจนน้ำไหลไฟดับน้ำน้าไหลไฟดับนี่สัมผัสกันใช่ไหมเห็นไหมเนี่ย วิญญาณนักเทศมันออกท่านผมเองเนี่ยนะครับอยู่ในสำนักนี้ผมก็จะคิดคำให้มันคล้องจองกันอย่างเช่นนักเผยแผ่ต้องทำอะไรบ้างทำไมผมถึงสร้างมหาจุฬ า, าที่หวักน้อยได้ผมใช้วิธีห้าหยางเขาเรียกว่า ธรรมะประกาศโนโบายวิธีเผยแผ่ธรรมะวิธีประกาศธรรมะห้าประกาศห้าอย่างผมพูดอย่างนี้ครับตกปลานอกบ้านประสานสิทธิภูกมิตรทั่วราบริหารปัญญาสาริกาป้อนเหยื่อ ที่ผมสร้างมหาจุลาเป็นพันพันล้านได้เนี่ยผมใช้ห้าอย่างตกปลานอกบ้านผมก็จะอธิบายแต่ผมสรุปสั้นๆ น, นะครับตกปลานอกบ้านก็คือถ้าบ้านเราอยู่บนน้ำใต้น้าเนี่ยเราตกปลาก็ได้กินแต่ปลาส้อยปลาซิวออกไปไกลๆไปเทศไปสอนแล้วดึงคนเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนามหาจุลาพัฒนาวัดประยุนส่งไปต่างประเทศ หรือไปเทศต่างประเทศเนี่ยลูกศิษย์ในต่างประเทศก็มาช่วยสร้างวัดวัดผมเนี่ยได้บางส่วนนี่ได้จากพวกนี้ต่างประเทศซ่อมศาลาทำอะไรต่ออะไรต่างเขาเรียกตกปลานขอกบ้านประสานสิทิศเราจะพัฒนาวัดของเราให้เป็นศูนย์กลางต้องใช้บวรบ้านวัดวรัชการ ผมซอบเจดีวัดปอยูนโดยตกปลานอกบ้านแต่เวลาวิธีซอบเนี่ยทั้งบ้านทั้งวัดทั้งบบราชการมาช่วยกันได้รางวัลที่หนึ่งอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมนะครับของยูเนสโกที่ซ่อมวัดปอยูนเนี่ยได้ยังไงถ้าไปดูเองทั่วโลกก็มาเที่ยวแล้วตอนนี้จากวัดที่ไม่ได้ติดอันดับโลกเลยเนี่ยแต่ทำประสานสินธิตผูกมิตรทั่วลกครับ ตกปลายนอกบ้านประสานสิบทิศปุูก ม, มิตรทัวลกแม้แต่ศาสนาอื่นก็เข้าวัดผมนะครับเวลาจัดงานอภิปรายนี่บาตรหลวงอิ ม, ม่าวมารวมเป็นมิตรหมดนโยบายของนักเผยแผ่ไม่ทะเลาะ ก, กับใครเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่ า, ากก น, า, า, หนาหังพิกเขเวโลเกนักวิวอถามิพิสุงไหนเราไม่ทะเลาะ ก, กับชาวโลกผู้ประกาศธรรม ไม่ทะเลาะ ก, กันสอนให้คนเป็นคนดียกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประกาศธรรมเหมือนมันก็ต้องขัดแย้งกันนะแต่ถ้าเราสอนให้เป็นคนดีสอนธรรมะไม่ทะเลาะ ก, กันไครพุทธเจ้าก็ไม่ทะเลาะตกปลานอกบ้านประสานสิทธิภูมิเทวราชบริหารปัญญาบริหารปัญญาหมายถึงใช้ปัญญาคนอื่นมาทามาพัฒนาวัดเรา ท่านจะเป็นนักเทศท่านต้องเป็นนักบริหารปัญญาคือไปรวบรวมปัญญาในการเทศบทเทศนาคำสอนของคนอื่นเอามาใช้อย่างเราไปอ่านบทเทศนาเขาหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศ์ศาจาร์เลือกเอาไปใช้ที่เหมาะกับวัดเราท่านฟังผมพูดฟังบทกลอะไลจนไปถึงเวลาเอาไปใช้เขาเรียกบริหารคือทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นอย่าไปใช้แต่ปัญญาตัวเองครับ ผมไม่ใช่วิศวะไม่ใช่สถาปนิกผมถ้าผมคุมการสร้างซ่อมเจดีย์วัดประยูนอย่างเดียวไม่มีทางได้รางวัลยูเนสโกเลยครับผมอาศัยปัญญาพวกวิศวะสถาปนิกจากสถาบันพระจอมเก้าวจากคุณหารากะ บ, บงังจากกรมการศาสนาจากสำนักพุทธจากกรมศิลป์เอามาใช้หมดผมไม่ได้ทะเลาะ ก, กับใครเลยครับแต่ละคนมาลุมช่วยกันมันจึงสําเร็จออกมาและได้รางวัลระดับโลก บริหารปัญญาสุดท้ายสาริกาป้อนเหยื่อเมื่อเราได้พัฒนาของเราเนี่ยนะครับเราเรียนเราเรียนแล้วเราต้องไปเทศไปสอนให้เหมาะกับผู้ผู้ฟังสร้างอาคารขึ้นมาสร้างทำไมผมจะต้องบอกว่าสร้างขึ้นมาสักหลังหนึ่งห้าสิบหกสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ใช้สอยและประโยชน์ใช้สอยเนี่ยจะต้องกลับคืนสู่ประชาชนไม่ใช่ เอามาสร้างเสร็จอะไรเสร็จเราใช้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่เสียสตางค์เขามีสินใช้อย่างเช่นผมสร้าง อ, อ, อาคารศึกษาและปฏิบัติธรรมขึ้นมาหนึ่งหลังเนี่ยจะเปิดปีนี้มีท่านที่พักมีห้องประชุมนะครับชั้นบนจุดได้สักสี่ร้อยห้าร้อยต่อไปนี่พระอวดประยชน์ไม่ต้องไปตะเวนเทศที่ไหนหรอกครับก็อยู่ตรงนั้นแหละขามาก็เทศให้สลับกัน ผมก็บอกว่าอาคารหลังนี้เมื่อสร้างขึ้นมาเป็นของชาวบ้านมาใช้มหาจุฬาสร้างเป็นหลายพันล้านเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ไปเรียนทุกคนมีสิทสธิ์แม้ท่านธานิการไปใช้ประโยชน์ได้หมดเราเขาอยากจะได้ประโยชน์อะไรเราให้ตานั้ น, านาการศึกษาดีการพอดอยากใช้อาการใช้อาการอยากฟังเทศให้เทศนาเวลาต้อนรับเรามีต้อนรับสองอย่างอามิษฐ์ประสิทธิสถานต้อนรับด้วยสิ่งของ น้ำอาหารหมากรูปธรรมะปฏิสันถานต้อนรับด้วยธรรมะบางคนเขามีของอยาิโยมมีของแล้วเราใช่ธรรมะครับนี่คือสาริกาป้อนเหย่สรุปนะครับตกปลานอกบาทประสานสิทิศผูกมิตรทั่วราบริหารปัญญาสาริกาป้อนเห ย, ยื่ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายกันละกันท่านพูดเป็นไร มันอยู่ในร้อยกรองกันหนึ่งก็คืออันที่ห้านะครับส่วนมากเราจะเรียกกากรอนโครงฉันถ้าจะต้องไปศึกษาเองนะครับว่าอะไรเป็นกาเป็นกรอนเป็นโครงเป็นฉันไม่ต้องแต่งเองแะครับเพื่อออกเสียงให้มันถูกถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือโครงนี่คือกรอมันออกเสียงต่างกันนะครับถึงเราท่องไปพูดมันก็ทื่อๆไม่มีเสน่ห์ครับ บคืออย่างไรผมจะไม่สอนนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าเวลาเราเออกมาเราต้องอ่านให้มันเสียงหนักเสียงเบาให้มันตรงไายก็ต้องอ่านให้เป็นออกเสียงให้เป็นผมยกตัวอย่างนี่ยกาพเพเรือเนี่ยนะสุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดชอยลอยหลังสิงเพียงหงทรงธงบินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมท่านจะต้องรู้ว่าต้องหยุดตรงไหน ไม่งั้นไม่เพราะเลยครับส่วนหงส่งผู้แล้วก็ไปห้อยอย่างเงี้ยมันอะไรงามชดช้อยลอยหลังสิงวักไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ฉันทะลักไม่เพราะครับส่วนหงส่งผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังสิงเพียงหงส่งพรมบินลินลากเลื่อนเตือนตาชมเรือชัยวัยว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอยางลง เสียงเศร้าเร้าระดมหงทายเยื่เดินคู่กันพฤศพพักการสอนนี่ก็ที่เราใช้ในการสบเลยของกรมพระบรมราชิชน์ชนรพฤศพพักการสอเอกุลชร อ, อันปลดปล o n โททนสนิ่งคงสําคัญหมายในกายมีนรชาติวานวายัยบางคนไม่อ่านนรชาติวานวายัยไม่ได้ไม่ครบครับต้องห้าคำนรชาติ ติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในลงกาวัดตอนท่านจะต้องรู้แล้วอ่ออกเสียงให้บรนถูกกรอนครับสมเด็จมหาวิโรมติดสากมหาเทราท่านท่องไปโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดวัดคนละแบบนะครับ โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจากรุ่งโรจน์โซดที่ผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดปลื่นตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียวพอเรารู้จักวักตอนอ่านให้เป็นพร้อมมากรับกรอนก็พร้อมแต่ถ้าท่านหยุดไม่เป็นเนอะโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โซดที่ล อย่ามาพูดดีกว่าเสียเสียอัธรรตนิทานบางเรื่องบางคนเล่าเพราะสนุกเราเล่าในสนุกแต่เองบางคนมันไปเล่าตัดหน้าเรานะเสียนิทาน <c oughs> เล่าแล้วเงียบกิ๊บเออเนี่ยเนีอย่าเล่าดีกว่านะ่ะโคลงบ้างครับนี่ของอังคารกแลเนพยผมผมเอาไปเทศไปพูดพระผู้ใหญ่บางจังหวัดฟังแล้วบอกเจ้าหนะ้าจังหวัดบอก จำยังไม่ได้เลยแล้วจําได้อย่างไงท่านเจ้าคุณเนี่ยนะนะแ่ผมจะบอกผมจาได้อย่างไงนะแล้วเดี๋ยวท่านดูผมพูดถึงว่าในวัดวัดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่จะเอาวัดเท่านั้นสําคัญนะครับพระลูกวัดโยมนี้สำคัญหมดการจะสร้างมหาจุราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอธิการนะทุกคนมีส่วนหมดเหมือนโครงต่อไปนี้ครับโลกนี้มิอยู่ด้วยมณีเดียวนา ้ายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงท่าต่นกลางดีดุลระยภาพภาพจั ก, กพรพานมิ ร, ร้างเพราะน้ำแรงไหนเราต้องอธิบายนิดโลกนี้มันไม่ได้อยู่ในเพชรมณีนะครับสร้างตึกมันใช้เพชรมณีที่ไหนมันใช้้ายใช้หินใช้หินใช้ปูน้ายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้าง อย่าหลงตัวเองว่าสำคัญที่สุดปวกท่าต่ำการดีดุลยภาพท่าไม่ว่าจะเพดต่าเรลวมันมีส่วนสร้างดุลยภาพความสมดุลให้กับจั ก, กรวาลภาคจั ก, กรพานวิร้างเพราะน้ำแรงไหนเมื่อสา ม, มัญดนคลุมกันได้ดีต่อให้มีแรงมากระทบจั ก, กรวาลก็อยู่ได้ดูนี่ศัพท์ก็ยากจาก็ยาก แต่ถ้าท่านเอาไปพูดและอธิบายได้ถ้าท่านพูดแล้วอธิบายไม่ได้ท่านได้ท่านรู้ทำแต่ไม่รู้อัาน <c oughs> อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าใจง่าย <c oughs> โลกนี้มีอยู่ด้วยมัดนีเดียนา <c oughs> สายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปว <c oughs> งธาตุต่ำกลางดีดุลรยภาพผ <c oughs> ้าจักรพานมิร้างเพราะน้ําแรงไหน ฟังรู้ไม่รู้แต่อ่านให้ไพเรธสาลกันัะอ่านให้เป็น ม, มันอ่านคนละแบบกับกรอนนะท่านต้องรู้อ่ะทำยุทธหักถีครับเห็นภาพไนหะนี่คือภาพชนช้างพระมหากราชากับพระนรีสวนฟันขาดคอช้างเลยฟังนะครับในลิลิตตะเลงพ่ครับ มสมเด็จพระรานดชิชโนโรสแต่งไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะท่องให้ฟังท่านดูภาพนะอุพอมหาประราชาถูกฟันขาดคอช้างกรมพระมาชิดโนรสบรรยายไว้อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าพูดเป็นเห็นภาพเลยภาพพจน์ครับอุรารานราวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบท่าวดิน เหนื อ, อคอคดสอนศพสังเวชไายชีว่าสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์เพราะมากๆเลยครับแล้วเห็นภาพใช่ไหมอุราคืออกใช่ไหมแยกเลยยนสยบสุดลงบนหลังคอช้างสวรรค์คตอุร า, ารานร้าวแยกยนสยบ เอ็นพระองค์ลงทบทาวดิ้นเหนือคอคดสอนศพสังเวชวายชีวาสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ผมอ่านปุ๊บจาได้เลยเพราะมากนี่คือโครงกากรอนโครงฉันฉันคือนี่ครับใครที่เรียนบาลีจะรู้ครับนี่ พาหุงสหัสสมภินิมพิสาวุทธันตังวสันตนิโลกครับปางเมื่อพระองค์บรมพุทธทวิสุทธาศาสดาตัสรู้อนุตรัสสมาที่นโพธิบัลังขุนมาสหัสสภหูพาหูวิชาวิชิตขังเคเคริเมคลับประทังคัดใช้ยเยี่ยมกระเถิมหา่างเป็นวสันตนิโลกเหมือนภาษาบาลีครับ พาหุงสหัสสมภินิมมิสาสาวุทันตนครีเมขลังอุทิตโคและสเสนามารังแป๊บเดียวกันเลยอันนี้ยากไปนะถ้ามันจะเป็นท่านอย่าไปพูดเดี๋ยวจะตกมาตายอย่าไปอวดภูมิ <c oughs> <c oughs> เอาแค่กรอนโค้งไอ้กากรอนกรพาะและ้วสุดท้ายครับเมื่อเ อ, อ่อร่ายผมพูดมาแล้วนะกากรอนโค้งฉันร่ายพูดให้สัมผัสกันสุดท้ายปฏิินเทศครับจบ ให้เราต้องท่องให้พรนะครับเชื่อมธรรมะหรือที่เราเทศนาเนี่เช่นพูดเรื่องความไม่ประมาทเราก็ต้องบอกว่าที่พรนานามานี่แสดงถึงว่าชีวิตต้องไม่ประมาทเหมือนลุงพ่อที่มรณภาพไปนี่ท่านมีความประ ม, มาทประเภีงความดีไว้เชื่อมเขาและสุดท้ายให้คนที่มาฟังเนี่ยปฏิบัติตามปฏิบัทานหลวงพ่อแล้วสุดท้ายให้พร ให้พรให้จำท่องขับมันเป็นบทถ้าเป็นงานทั่วไปไม่ก็ให้พรกลางๆเช่นเทศอุโบสถเทศนาปริโยสถานในวารสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้การเทศเหมือนรถไฟออกแกนสถานีนะครับรถไฟตอนที่มันเพิ่งลากหัวรถจักรลากขบวนเลยอ่อนแมะมัยใจช้าครับช้า แล้วพอมันวิ่งออกสานนิษมันจะวิ่งเร็วนักเทศก็เหมือนกันครับตอนเริ่มเนี่ยนักบัณ น, นี้อาตมภาพจะพระประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปันดีตะกะท้าฉลองพระเดชพระคุณปล พ, พระเมียกว่าไปเรื่อยชา้าช้าพอไปถึงเรื่องเรื่องไปเร็วครับอธิบายพูดเหมือนพูดธรรมดาเนี่ยเล่าเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาสไตล์ใครสไตล์มัน พอตอนจบช้าเลยครับเหมือนรถไฟจะเข้าสถานีต้องเบรกต้องช้าลงเทศนาปรโยสานีอย่าไปช้าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหลับไปครึ่งสลากเพราะเราไม่รู้ตอนออกนี่ช้าจริงแต่ตอนวิ่งให้หมันเร็วเดินเรื่องเป็นเป็นภาษาปกติพอจะเข้าสถานีช้าลงนี่ตอนนี้ช้าแล้วครับประโยคแบบครับ เทศนาประโยชน์นีในอวาสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาขอเดชะบา ร, รมีแห่งคุณพระซีรัตนตรยัยและบุญบุญสนที่บำเพ็ญในพระบุทธศาสนาจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวัปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมแห่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศ จ, จากทุกโศกโรคภัยอุปสรรตร้ายทั้งปวงถึงซึ่งความสมบูรณ์โดยตอนนี้นี่สรุปให้เข้ากับงานนะศรัทธาศีลจากฆาปัญญาเพราะตอนนั้นผมเทศเรื่องศรัทธาศีลจากฆาปัญญาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลจากฆาปัญญาสมบัติศีลนะครับ มีอายุวันณัสุขะพลักปฏิพานธรรมสาลสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเดชธรรมก็ขอให้ความปราถนาะนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสำเร็จทรจจงร ม, โมโนรธบุ่ญ ม, มาปราถนาะทุกประการอย่าไปเผลอเทินเขานะัเทศมันไม่มีเทินบุ่ญ ม, มาปราถนาะทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในซัมปธากะถาพอสมควรแก่เวลาพอสมบยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ อ, อยังไม่จบ <c oughs> เนี่ยเพราะว่าลีลาไงมันทำให้เรารู้ว่าจบอนะ่ะมันหยุดเลยรนถะไฟหยุดเลยฉนี้คือจบ ถ้า ง, งานสบนะครับต้องอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไม่ใช่เทศนาประโยชน์นีส่วนมากจะอิมินากตาตะปุนเยนะ <c oughs> อิมินากตาตะปุนเยนะ <c oughs> ขออำนาจแห่งกุศลทักษิณานุประทานที่ท่านจะภาพในร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปซึ่งดำรงอยู่ด้วยดีในมู่สงเพื่ออุทิศถวายโอ้นีใคร อย่าไปใส่ชื่อพุ่นนะครับโอ้ผมเทศงานศบจากนัจังหวัดอายุทยาที่ล่วมไปแล้วผมยกตัวอย่างแด่พระเทพวรเวทีวินโคสิโตในครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยผลิตอิทธิบากสุขสมบัติเพิ่มบา ร, า ม, บารมีทมยิ่งขึ้นไปในซัมปรายภพแด่พระเดชพระคุณทม้มเจตนาปารกทุกประการ รับปิะทานแสดงพระธรรมเทศนาในสังวิธานกาทาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติตลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้าสาธุได้นะจบจริงนะนะครับถือว่า เรื่องของการเทศเป็นศาสตร์ครึ่งหนึ่งเป็นศิลปะครึ่งหนึ่งที่ว่ามานี่เป็นทั้งสองเรื่ององค์ความรู้เป็นศาสตร์ปรับใช้ให้มีความไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเรียกว่าศิลปะบางรูปเก่งในศาสตร์ก็ เขาเรียกว่าสาระดีบางรูปเก่งในศิลปะลีลาภาษาดีนิทานดีก็ยังไม่ถือว่าสุดยอดต้องเอาสองอย่างมารวมเข้าด้วยกันทั้งศาสตร์และศิลปะมีแต่ศาสตร์องค์ความรู้แต่ไม่มีศิลปะน่าเบือ่อมีแต่ศิลปะลีลาสวยแต่ไม่มีสาระ คนก็ไม่ได้ประโยชน์การเทศน์ี้ต้องมีสี่อรถ้าท่านมีสากท่านได้สันทัศนาเทศได้แจ่มแจ้งถ้าท่านมีศิลปะท่านเทศได้จูงใจแก้วสาบุตเตชนาะแก้วกล้าแล้วก็มีศิลปะล่าเริน ศาสตร์ทาให้ท่านมีสันทัศนาแจ่มแจ้งพูดให้เข้าใจง่ายแต่ศิลปะในการจูงใจท่านต้องมีจึงจะเกิดสมาธิปนญหานำเสียงลีลาอันนี้มันเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้สอนในวิชานี้ทายัางไงถ้าจะเทศให้แจ่มแจ้งทายัางไงจะให้จูงใจน้ําเสียงลีลาท่าทากงก้าหกล้าทําอย่างไรเป็นศิลปะ และศิลปะทำให้เกิดร่าเริงเราทำมีอารมณ์ขันเป็นต้นวันนี้ภาษาช่วยให้ท่านเทศได้จ็แจ้งเมื่อท่านมีสารภาษาช่วยให้เกิดการจูงใจเพราะมันอลังการภาษาปลุกใจให้เกิดความแก้วกล้าภาษาใช้ให้เป็นสะดุกเพลิดเพลิน เรียกว่าสัมปะแข่งสนะแต่ก็ยังมีประเด็นนิดนๆที่จะทําให้แจ็บแจ้งจูงใจแก้ไร้ล่าเรือแต่ภาษาที่ผมพูดมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดเรื่องเจ็บแจ้งเนี่ยผมพูดเรื่องภาษาปลาเต่าภาษานิทานของลิงกับจระเข้เจ็บแจ้ ง, จ, งจูงใจผมพูดเรื่อง การเผยแผ่ห้าอย่างตกปลานอกบ้านประสานสิทิศจูงใจให้ท่านอยากครับแก้วกลา้าพูดถึงตัวอย่างของการเทศว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินึงไปเพียงแต่ว่าท่านเทศให้ประชาชาแบบหนึ่งชาวนาชาวบ้านแบบหนึ่งเเราก็มีสิทธิ์จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทาได้เรยวแก้วกลา้า ล่าเริง ม, มีตัวอย่างมีนิทานอย่างเรื่องของสีปราบไม่ต้องตลกเป็นโจ๊กคาเฟ่แต่ว่าบันเทิองอย่างเล่าเรื่องนางสนมกับสีปรา <c oughs> เล่าเรื่องพยักค้ขอเดชะวานรสิ่งเหล่านี้มันคือล่าเริงและที่ที่ผมได้ทำมาคือการสาธิตด้วยภาษาล้ว น, วนตั้งแต่เริ่มจนจบ เป็นเรื่องของภาษากับการเทศและภาษาไทยกับการเทศพอสมควรแก่เวลาครับ <c oughs> ก็ขออนุโมทนาชื่นชมทุกรูปครับที่มีศรัทธานําตนเองมาสู่การพัฒนาเพื่อการเผ ย, ยแพร่พระศ า, ศาสนาด้วยจิตเจตานาที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้ขออนานาจแห่งคุณภาษีรัตนไตรและก <c oughs> ุศลเจตานาทั้งปวง จงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกฝนพัฒนาตนเป็นพระธรรมกะถึงที่มีทั้งาศาสตร์และศิลป์พร้อมที่จะนำธรรมะไปสู่ประชาชนให้เกิดผลดังที่ต้องการทุกประการขอทุกท่านเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสงจำหนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้ความประสงค์นั้นจงผ่นสำเร็จสมโมโนรถมุ่งมาตรานาทุกประการตลอดกาลละนานเทิร